สวัสดีสสดคุณพระาสนาอ่านมิวพระอาจารย์อสบายดีเหร อ, อสบายดีค่ะพระอาจารย์ออยู่ที่ไหนนะกรุงเทพใช่ไหมอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์เฮ้ไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่สีสันอ๋ออ๋อเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวนะคะพระพอดีตั้งเห็นหน้าหน่อยโอเค อันนี้มีคำถามเลยหรือเปล่าก็วันนี้นะคะก็อยากจะสรุปที่ฟังพระอาจารย์มาตลอดทั้งอาทิตย์นะคะก็คือว่าตอนนี้ทำสามข้อแรกที่พระอาจารย์พูดถึงได้ก็คือเรื่องของเรื่องของการเมตตาทานแล้วก็สี่ห้านะคะก็คือทําได้แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําสมถะต่อเนี่ยมันต้องเพิ่มเป็นไน้ขมมะใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าอาจจะ อาจจะต้องลองขอเป็นสินแปดช่วงวันพระเพราะข้ออื่นไม่มีปัญหาอาจจะมีแค่เรื่องของข้ออาหารเพราะว่าอายุมากแล้วเคยมีปัญหาสุขภาพาาพระอาจารย์ก็อาจจะแต่เราจะพยายามถือสิถือคิดว่าถ้าเกิดเป็นถือสินถือศินแปดเนี่ยมันน่าจะทําให้เรามีสติได้มากขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์เท่าที่ฟังพระอาจารย์พูดก็มันมีดีหลายอย่างคือหนึ่งจะได้มีเวลาว่างจะได้มาให้กับการปฏิบัติ ก็ต้องว่ายิ่งกว่าเรื่องกินเรื่องดูเรื่องฟังอะไรนี่ตัดมันไปให้หมดคะม่ะไม่ไม่เรืไม่เรื่องอาหารก็ไม่ต้นองกังวลหรอกไ <c oughs> ม่ไม่เอาแค่ที่เราจิตมันคิด เ, เองร่างกายมันแข็งแรงมันดูครูบาอาจารย์ดู่พระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าท่านอยู่สุขสบายกับเราท่านยังมากินมื้อเดียวได้ค่ะ มันกิเลสของเรามากกว่าไปคำวันไปวิตกประมาณนี้ใช่คุณจะตั้งมั่นจะลองทำจะปัญญปฏะดิษฐ์อะไรเพราะว่าอยากจะให้ก้าวหน้าขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือนั่งสามเวลารู้สึกว่าคือสติเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะพระอาจารย์คือเข้านั่งสมาธิเนี่ยวันใจมันดีมันดีขึ้นแล้วก็ฟังธรรมที่พระอาจารย์พูดตลอดเนี่ยมันทําให้เข้าใจมากขึ้นเลยพระอาจารย์คือมันเหมือนกับพอเราอ่านมาแล้วเนี่ยแต่พระอาจารย์พูดให้ง่ายขึ้นเลยค่ะ มันเคยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นก็เลยว่าจะเนี่ยค่ะจะทําปฏิบัติจะปฏิบัติตอบไปได้เรื่อยทำเดิมไม่ตายหรอกพระพุทธเจ้าก็เก้าสี่สิบเก้าวันก็ไม่ตายเล <c oughs> เยเราแค่มืเ้เยน็นมื้อเดียวเยนี <c oughs> ่เริ่มกลัวตายก่อนละพอเจ็บกลัวตายกันไปก่อนค่ะ <c oughs> ข้ออื่นไม่มีปัญหาพราะอาจารย์เดี๋ยวข้อนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าเราตั้งใจอ่ะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็คือพยายาม พยายามแบบพอก่อนที่จะเป็นวันพัาเนี่ยก็พยายามเริ่มเริ่มแบบเริ่มฝึกตัวเองพอวันเสาร์นี้วันพัาก็จะเริ่มเลยครัอาจารย์จะเริ่มวันเสาร์นี้เลยไม่ต้องกลัวเรารับรับอาการได้<ะ>อ่างกายไม่ตายหระกกิเลสมันจะตายกิเลสมันกลัวมันจึงไม่อยากให้เราอไม่อยากให้เรามาอถือศีลแปดกันมันก็อ้างโ้ยเหนื่อยร่างกายเป็นนวดเป็นนี่เป็นโรคกระเพาะเป็นอะไร อะไรี่กินแล้วเป็นมะเร็งกินแล้วเป็นความดันกินแล้วเป็นเบาหวานไม่ไม่ว่ากันใช่ไหมที่มันเป็นโรคเหล่านี่มันเกิดเกิดจากอะไรนะถ้าไม่เกิดจากการกินมากใช่กินมากเกินไปใช่แล้วกิเลสมันฉลาดมันหลอกเราพอไปถ่ายกับกิเลสมันก็เลยบอกโอ้เดี๋ยวร่างกายตายเนอยเดี๋ยวเจ็บไายได้ป่วยว่าไปนู่น แต่เวลารับใช้กิเลสนะกิเลสโอไม่ได้พูดเลยกินเข้าไปของวันของหวานของเค็มกิน เ, เข้าไปทีนี้ความดันเข้ามาเอไขมันอุดตันเข้ามาเบาหวานเข้ามาเนี่ยนะอย่าไปเชื่อมันนะมันตลาดมันจะหลอกให้เราใช้เราพอเราไม่รับใช้เรามันก็หาเรื่องหลอกเราโอ้เป็นอย่างนู้นนะเป็นอย่างงี้นะ เราเป็นโลก่กระเพาะนะดูกรูบาอาจารย์รูปไหนเป็นรูปกระเพาะกันบ้างว่าอยู่กันถึงเก้าสิบร้อยปีนี่ยะเป็นโล่กระเพาะหรือเปล่านะาอาจารย์ะจะตั้งใจค่ะมีความเพียรกับขันติเพราะตัวเองมีความเพียรกับขันติมีอยู่แล้วคือทํางานมาเรารู้สึกว่าตรงนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องความเพียรก็พยายามทําแล้วพระอาจารย์ครับเ อ, อแฟนเขาบากถามนะคะว่าเขาก็เริ่มปฏิบัติ เขาบอกว่าเขาใช้กายายคตาสติก็คือว่าเดินการเดินเป็นการฝึกสติแต่พอนั่งสมาธิเขาบอกว่าพอนั่งไปปุ๊บเนี่ยพอมันเริ่มนิ่งอะ่ะมันมีเหมือนกับมีเสียงวูบดังขึ้นมาตลอดอย่างนี้ก็คือว่าให้เขาให้เขานั่งต่อไปหรือว่ายังไงคคือข้อถามตรงนี้ก็คือว่ามันติดตรงที่มันมีเสียงมาแบบอู้ดไปหมดเลยเขาบอกอะตอนไหนตอนนั่งเนี่ตอนนั่งอะ่ะเห็นเขาบอกเขาก็ คือเขาเป็นคนที่ทํางานของเขามันต้องคิดนะคะเป็นงานรักษาคนไข้เขาก็ต้องคิดพุดทธนาเนี่ยพอเขาเขาใช้ออริยรบทในการดูสติแต่ว่าพอเขานั่งไปถึงจนนิ่งอะ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเขาใช้การแป่งแขนอเงี้ยคะ่ะแล้วก็พอค่ะพอถึงจุดร่างกายต้องนิ่งนิ่งใช่ไหมคะให้เขานั่งนิ่งลมอวัยะนั่งเปลี่ยนเปลี่ยนจากกายกตาสติมาเป็นอนาปานสติ ให้ลมอย่าทิ้งลมอ่ะจะได้บอกเขา อ, อาจารย์แล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจอ่อมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเป็นเรื่องของกิเลสส่วนใหญ่กิเลสมันจะผลิตอะไรมาหลอกเราอยู่เรื่อยนะอย่าไปทิ้งลมอยู่กับลมไปจงกว่าจิตจะวรวมแล้วว่างนั่นนะแล้วลมก็หยุดหยุดดูได้เห่งถ้ายัางอืนเกิด ข, ขึ้นมานี่แสดงว่ายังไม่สงบ ต้องดูลมต่อไปขอเป็นเรื่องนะครับเนยนั่งเฉยๆเวลานั่งเหย่าไปไก่มือแหวงเท้าอะไรไมัใช่เวลานั่งตรงให้ร่างกายนิ่งที่ดูร่างกายเพราะเวลาที่เราทํางานทําการเนี่ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้เลยดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่พอเรามานั่งแล้วเราต้องให้มันอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิน้นนะ ให้ดูลมไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะว่างจะรว่เป็นสงบขึ้นมาเองจบค่ะโอเคนะมีอะไรไหม ไม่มีอะไรคะ่ะเพราะว่าฟังที่พระอาจารย์เทศเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ามันเข้าไปมันฟังแล้วมันเข้าใจแล้วมันนิ่งอะ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรานั่งสมาธิเราเราฟังพระอาจารย์เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเป็นภอะไรอย่างหนึ่งซึ่งแบบรู้สึกดีมากมาเลยพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะพระอาจารย์เดีย๋ยวจะตั้งใจในการทำแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาบอกผลในการ ท, ทําเพิ่มมากขึ้นคะ่ะอ่านะปฏิบัติโยเราถือศีลแปดโยไม่ตายหรอกยานโยมมาอยู่วัดถือศีลแปดกันเยอะแยะนี่ก็เป็นอะไรกันค่ะนะโอเค อาา่าน้ำพระจำแรงเปิดไม้น้ำพระจำแรงมีอะไรไหมเสียงไม่เข้าเนนะต้องเปิดไม้ต้องเปิดไม้ตอนเข้ามาไม่ได้เปิดไม้ก่อนพูดไปไม่ได้เลยต้องกลับเข้ามาใหม่น้งฟ้าจำแรงตอนที่คุณเข้ามาคุณต้องบอกว่าเปิดเปิดใช้ใช้ไม้ของคอม อ่าเอาดีเอาดีมียังไงเอา ด, อา ด, อาดีสบายดีเหรอสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอา่ามีอะไรไหมอืมถ้าเรารู้สึกช่วงนี้โมโหมันมีความโมโหจากข่าวสารอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่าไปดูมอย่าไปดูมันทําไมอ่ะดูมัมมให้ปวดหัวเปล่าเราได้เลยจากการดูข่าวสารบ้ า, บ, าบ่อย เรื่องของหมาแ ย, ย่งก<อ>ูกันแล้ไปตื่นเ ต, นต้นหวัดเสียวอะไรกันมันค่ะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่มีประชาธิปไตยเขาสองสองสี่เจ็ดศูนแล้วนะว่า ม, มันพัดผัดกันเดี๋ยวก็เผด็จการเดี๋ยวก็นักการเมืองโกงกินแล้วก็กลับไปเผด็จการแล้วก็กลับมานักการเมืองโกงกินแล้วก็อ้างประชาธิปไตยก็เท่านั้นแหละจะมีอะไร เรื่องการเมืองนายเรื่องการงไม่กินบ้างมีไหมไม่ไอเรื่องการเมืองนี่หนูไม่ค่อยเท่าไรแล้วค่ะอาจารย์แต่เหมือนแบบพอเหมือนเห็นค่าวเวลาแบบเด็กๆที่ไม่เข้าใจแล้วแบบว่าว่าพระเจ้าอยู่หัวอะไรเงี้ยหนูเลยแบบแต่ก็ต้องพยายามปล่อยวางอะค่ะมนุษย์มีกรรมเป็นของของตนนะคะเข้าใจค่ะออการศึกษาไม่สอนศาสนาตัดศาสนาออกไปหมด ใช่ไหมสมัยเด็กๆ เ, เราเรียนมีพุทธศาสนามีนิธานอีสบมีอะไรสอนให้รู้จักความซื่อสัตย์รู้จักความกตันญูรู้จักอะไรสมัยนี้ตัดทิ้งไม่หมดเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องใช่ตอนนี้ละมันก็เป็นผลของความเจริญทางวัตถุต้องการยัดเอาวิชาการให้เด็กเยอะๆ ในตัดวิชาศีธลธรรมออกไปหมดเด็กก็เลยกลายเป็นสุนัขไปเป็นหมาไปไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่บิดามารดาผู้า่าติยายก็เลยสังคมก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปสนใจมาเลยเราดูแลตัวเราดีกว่านะค่ะไค่ะมาทางนี้เราต้องปลิดวาง อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นกลับมาดูใจตัวเราเองดีกว่าใช่ไหมคะพระอาจารย์เราไปทำอะไรไม่ได้ถ้าทำได้ก็ไปทำาีอะทำไม่ได้เราต้องให้ฟังเราอค่ะครอวนี้เขาถูกพวกอ่พวกนั้นหลอกลวงให้มาเป็นเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นทหารให้มาแล้วเดี๋ยวพอเขาสองขัาสองคาวจบเขาก็มาขึ้นเขาก็มาขึ้นกินอำนาจแทน ไอ้พวกสงฆ์านก็ก็ก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวก็อยู่ได้สักพักก็โกงกินกันพอกินเนื้หานก็ทนไม่ไหวเขก็ออกมาปฏิวัติมันก็เป็นวัฏจักรทางลบลู่นะคะพอหานมาปฏิวัติก็หาว่าเป็นปฏิการอ่กลับไปกลับไปประชาธิปไตยใหม่ประชาธิปไตยก็มากินกันใหม่ ใช่ไหมโครงการอะไรกี่มือนล้านกินกันโอโหล้านใค่ะโอเคนะค่ะเดี๋ยววันพระวันพระค่อยไปนะคะพระอาจารย์แต่วันวันศุกร์พระอาจารย์ก็ลงอยู่ใช่ไหมคะเอ่อวันศุกร์เป็นวันเป็นวันหยุดเนี่ยวันหยุดนะบรมารเนี่ยวันกษัตริย์ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ไปศึกษาประวัติของท่านเมื่อท่านทำอะไรให้กับประเทศชาติ ท่านยิ่งใหญ่จริงค่ะท่านเป็นมหาราชอ่าอาปิยะมหาราชภูมิพลมหาราชมีสองลูกอำงานเสียสละเพื่อประเทศชาติโอเคนะเดี๋ยวไม่อยากจะพูดการเมืองเดี๋ยวจะหาว่าเราอืมถึงพวงนั้นพวกนี้เดี๋ยวเข้าไม่สายบ่านุแกนก่นุ่แก่จะทำยังไงให้สงบ กับเรื่องตรงนี้แบบว่าต้องพยายามปล่อยวางอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปยุ่ง ม, มั น, นค่จำลองนักปฏิบัติต้องสำรวจตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไปเปิดเปิดตาหูจมูกลิ้นกายรับมันเข้ามาหมดรับเข้ามามันก็เผาวใจเลยพระพุทธเจ้าบอกลูกเสียงจิตร้อนนี่มันเหมือนไฟวเอามันเข้ามามันก็เผาวใจเราอ้อนขึ้นมาเลยค่ะ แล้วนปฏิบัติเราต้องการความสงบนะความสงบนี่คือสิ่งทีเ่เป็นประโยชน์กับเรานะอย่ า, าอยงอื่นสมบัติเงินทองข้าว ข, ข, ของประชาธิปไตยอะไรมันก็เท่านัา้นแหละมันไ ม, ไม่ไม่มีมันก็อยู่มาได้ใช่ไหมยุคก่อนไม่มีประชาธิปไตยก็อยู่กันมาได้แต่เหินตามก็พอเขามีประชาธิปไตยก็เหินตามเข้ามา อยู่แบบธรรมะธรรมะทิฏปไตยดีกว่าใช้ธรรมะปกครองดีกว่าในหลวงเราหะมีการที่เราจะปกครองประเทศด้วยธรรมธรรมก็เกิด <Okay. S 1> ความถูกต้องความความเมตตาความกรุณาความเสียสละญาติความอดกลั้นอดทนความเพียรือความพยายามธรรมะ ไม่ได้มาปกครองเพื่อเอาประโยชน์ตัด ต, ตวงเข้ากระเป๋าตัวเองคนเดียวทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนทำมาที่ปตยนะธรรมารา่ไมมีธรรมาราชาลดสะพิมะดมาจะทำเือเดี๋ยวยาวเหยียดไปใหญ่เดี๋ยวคนที่ไม่ชอบอฟังแล้วเดี๋ยวรอดขึ้นมาเดี๋ยวส่งข้งขงขงขงอความมาอะ ค่ะค่ะไม่ต้องคุยก็ได้ค่ะพอาจารย์กลับแมาสการค่ะเดี๋ยววนกลางต้องกลับกลับไปหานางฟ้าชำระก่อนนะกลับเข้ามาแล้วนางฟ้าชำระอ่าเปิดไมค์ได้ไหมนางฟ้าชำระฮัลโหลสวัสดีกลับแมาสการเจ้าค่ะอาจารย์ใครใครพูดอาจารย์ได้ยินหนูไหมคะไม่ใช่เรายังไม่ใช่ทวเราขอให้ให้นางฟ้าาำระ หนูไงนางฟ้าจำแรงอ๋อเหีอยวอาว่ามามีอะไรว่ามาหน้าทูตเจ้าค่ะแก้วขวานเจ้าค่ะผอาจารย์เจ้าค่ะกลาบผอาจารย์เจ้าค่ะเออมาไงมีอะไรหรือเปล่าก็เป็นไงเขาไม่ได้กลาบผอาจารย์นานแล้วค่ะก็ไม่มาเดี๋ยวกลับได้ยังไงหรอขออนุญาตเดี๋ยวไปเคาหน้าเจ้าค่ะผ้าจานเนี่ยยังไม่ได้กลับไปเยี่ยมลูกเหรอ ยังเลยเจ้าค่ะเพราะว่าโดนเออโดนแคนเซิลตั๋วอีกแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์จนถึงวันที่สี่ธันวาคมค่ะโอเคใช่โอเคมีโอกาสก็มาเยี่ยมเยือนกันนะแล้วค่ะไปแน่นอนเจ้าค่ะนี่ไม่พระอาจารย์ถ้าเป็นวันธรรมดาอาจารย์ก็ใส่บากที่น้าเภอลงก็ไม่ได้หนูก็เลยไม่ได้ไปไม่ทันแล้วเจ้าค่ะบางทีอ่ะค่ะพระอาจารย์ โอเคโอเคอาจารย์คะหนูก่อนหน้านี้หนูไปเอได้ไปปฏิบัติของอที่ศูนย์ของที่ชื่อว่าของท่านโกเวนก้านะคะมาสี่สิบวันเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ตั้งสี่สิบวันเยอะเลยเจ้าค่ะอา่าดีมากเสียงมากก็ต้องอยู่แบบช่วยงานเขาด้วยใมังเป็นผู้ช่วยนะั่นเออคือจะเป็นนั่งอย่างเดียวเข้าคอร์สนั่งแล้วก็รอบที่สองจะเป็นธรรมะบริกรก็คือช่วยงานด้วย S <S อ, อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะเขาจะเป็นแบบว่าลงว่าจะเป็นนักซิทติ้งหรือว่าจะเป็นธรรมบริกรค่ะหนูก็ทําทั้งสองอย่างเลยค่ะทําทั้งสองอย่างเลยค่ะอืแ ก, แก้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเน้นเร่ง พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่าไหร่อ่าคือว่าที่นู่นะสอนตามแนวสอนตามแนวของศาสนาพุทธเลยค่ะสูตรสอนตามแนวของศาสนาพุทธเลยค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าในขณะที่ไปปฏิบัติที่นู่นะจะไม่ได้สวดมน คือคือจะเน้นการนั่งเน้นการนั่งภาวนาอ า, านาปานสติแล้วก็วิปัสนาค่ะแล้วก็ตอนเย็นจะฟังธรรมแต่ไมยามยกย่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะย่องเจ้าค่ะหนูหนูบอกได้คือเขายกย่องแต่ว่าด้วยความที่ท่านโกเอนกาเขาเป็นฮินดูเขาก็แล้วคนที่ไปหาเขาว่ามีหลายศาสนาเราจะเป็นฮินดูคอม่าอิสลามเนปาลต่างชาติก<ม>็ไปเขาก็เลยเหมือนพูดอง์รวมว่าเป็นแบบนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าจะต้องยอมรับในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บหนูถึงแบบโอเคงั้นก็งั้นก็คือยังให้เรายอมรับในพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นหนูก็เลยอยู่สิ่งที่หนูอยู่ได้เนี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่งั้นหนูก็กลับแล้วเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วส่ที่ก็สอนง็มาจากสติปัฏฐานสูตรนีใช่ค่ะเจ้าค่ะแล้วเมื่อไม่เคยกล่าวถึงบมลมศาสดาเลยกล่าวค่ะกล่าวเจ้าค่ะพระอาจารย์กล่าวทุกวันเลยเจ้าค่ะ ในธรรมะในธรรมะบรรยายตอนเย็นน่ะเขาจะสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรามานะคะทุกวันเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคทีเนี้ยหนูมีความสงสัยอยู่เหมือนกันเมื่อเมื่อหนูได้ไปกราบพระอาจารย์ที่วัดอ่ะหนูอยากจะเรียนถามกับพระอาจารย์เรื่องนี้เหมือนกันเจ้าค่ะว่าแบบว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เห็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เขาวสอนดีก็สอนสติแต่ค่ะค่ะแต่แบบว่าให้ดูให้มีสติดูดูอาการ ควารู้สึกทั่วร่างกายนี้เราสึกว่ามันมันมันไม่ใช่นะ่ะต้องดูตอนที่มันมีความรู้สึกที่มันมากระทบกระเทือนใจเราเช่นเวลาปวดท้องเวลาปวดหัวอย่างนี้แล้วเราจะได้ใช้ปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางให้สึกอยู่กับความปวดมันเป็นนัตตามันแต่เวลามันปกตินี่เรานั่งเฉยๆยนะไม่นั่งดู ความรู้สึกลาบตัวไม่รู้ดูอะไรไมีเหรอเห็นเนอะคือว่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายซึ่งพอเวลาที่หนูได้มาลองทําตามจริงๆอย่างที่สอนน่ะหนูเกิดความรู้สึกทั่วร่างกายจริงๆจากที่หนูอ้อเหรอมีจริงๆด้วยตามนี้เป็นแบบความรู้สึกที่อยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกของเราอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ตอนแรกคือตอนที่หนูไปสิบยี่สิบวันแรกเนี่ยหนูปฏิบัติอย่างที่เคยปฏิบัติมาที่นูน่นแต่พอวลามาเข้า ช่วงสิบวันสุดท้ายของของรอบสี่สิบวันเนี่ยหนูลองได้ทําตามจริงๆอย่างที่ได้ทําตามหลักสูตรที่เขาสอนตามมันก็ซึ่งก็เกิดขึ้นได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะพระอ า, าจารย์จับความรู้สึกได้จริงๆอะค่ะความ ร, ร, รู้สึกก็คือไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกตั้งแต่เส้นผมลงไปความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอาการคันที่ใบหน้ารู้สึกยิบยิบที่ผิวหรือว่ารู้สึกวูบวาบตามผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบ่งเป็นพัดๆตั้งแต่ หน้าหัวหัวไหลแขนตัวข้างหน้าตัวข้างหลังอะไรเงี้ยพอเราทําตามมันก็อความรู้สึ ก, กมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ได้จับถึงความรู้สึกอ่ะค่ะแล้วไปจับมันยังงอมันไม่คือจับว่าไม่ใช่ไม่ปัญหาแคับเราไม่คือจับว่าในจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันทํางานอยู่ตลอดเวลา มันทำงานอยู่นะเพียงแต่ว่าจิตสำนึกของเราเราไม่เคยไปรู้สึกถึงจิตใต้สำนึกนั้นเลยอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็กลายเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตามร่างกายเพราะว่าขณะที่นั่งเนี่ยความเจ็บเกิดขึ้นความคิดความกิเลสเอ่อฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ให้ละในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาดูที่ความรู้สึกตามร่างกายต่อไปแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งที่มันเคยแบบความทุกข์ที่มันอยู่ในอยู่ในใจที่ผ่านมาไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันหลุดลอกออกและเบาขึ้นอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ซึ่งหนูก็ เกิดความรู้สึกแปลกแปลประหลาดกับสิ่งนี้ที่หนูได้ขึ้นเหมือนกันว่าเออสิ่งคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเนี้ค่ะแต่ว่าหนูสงสัยหนูก็เลยอยากจะไปหาพระอาจารย์ที่วัดอยจะไปเล่าให้ฟังว่าหนูไปที่นี่มาและหนูมีแบบนี้มาอาจจรพระอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูต้องการพูทธศาสนานโดยแท้ <ST AR> จริงแต่ว่าเราาไปุ้ง่นอ <ST AR> ยู่จุดเดียวดีกว่าไม่ต้องไปวิ่งอ ร, รอบร่างกายเรา อาจจะวิ่งรอบร่างกายดูอาการทารกทสองดีกว่าหรือผมขนเล<อ>็บมันหรือเนื้อเอ็นกระโดดดีกว่าเจ้าค<อ>่ะขาดูน่าไม่รู้ดูไปแล้วมันไม่รู้จะได้อะไรเจ้าค<อ>่ะราจะดูดูความ ร, รู้สึกต้องดูตอนที่มันปวดจะนั่งนานๆแล้วมันปวดเขา่าปวดขาปวดก้นอย่างนี้แล้วภารณาปล่อยวางมันอปล่อยอให้มันปวไปเราไม่ต้องไปย<อ>ุ่งกับมัน พระอาจารย์เ right. จ้าขาเจ้าค่ะ <Okay. S 2> คือว่าตอนแรกเนี่ยตอนนี้หนูที่ไป น, นั่นเนหนูหนูหนูได้ทําตามนี้อย่างที่ได้เคยเรียนมาอย่างที่พระอาจารย์บอกหนูนะคะแต่พอลาไปที่นู่นเนี่ยเวลาที่ความเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่ดูร่างกายอะ่ะจะเริ่มดูว่าพาร์ทนี้เริ่มเจ็บเจ็บมากเจ็บมากขึ้นเจ็บมากขึ้นแล้วจนไปถึงจุดนี้ก็เริ่มเจ็บน้อยลงเจ็บน้อยลงแล้วกลายเป็น ว, ว่าความเจ็บเหล่านั้นมันก็หายไปจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็คือหนูอยากจะถามกับพระอาจารย์ว่า ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมฐานสี่สิบเนี่ยมีเนี่ยมีมีมีศาสตร์นี้อยู่ในกรรมฐานสี่สิบไหมอะค่ะศาสตร์ถึงเรื่องความรู้สึกทั่วร่างกายเนี่ยค่ะได้มีอยู่ในของพระพุทธเจ้าที่สอนไหมอะค่ะก็มันอยู่ในสติปัฏฐานมันให้ดูไวทนามีมีใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้บอกว่าให้ดูความรู้สึกที่ศีรษะที่หน้าที่อะไรที่แขนที่อะไร เนแต่ให้รู้ว่าเวทนาร่างกายเนี่ยมันมีสามอย่างมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันไม่เที่ยงมไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาบางทีพอไปเจอทุกข์ก็อยากให้มันหายอพอไปอยากให้มันหายใจก็เลยทุกข์ขึ้นมาอีกอันซ้อนซ้อนทุกข์ของร่างกายที่เราปฏิบัตินี้ให้เห็นทุกข์ที่เกิดจากใจ ที่เกิดจากความอยากเห็นทุกข์ใจแล้วมาหยุดความทุกข์ใจพราะความทุกข์ร่างกายเราไปหยุดมันไม่ได้มันเป็นอนาาัสตาแต่ความทุกข์ใจนี่หยุดได้มันเกิดจากตัณหาความอยากอยากให้ความทุกข์ร่างกายหายไปมาสอนใจว่ า, าต้องอยู่กับมันไปหมายถึงพอเวลาที่อยากขึ้นมาเขาเรียกว่าทุกซ้อนทุกใช่ไหมย๊ะคะ แล้วไอ้ทุกซ้อนทุกนี่มันร้ายกาจกว่าไอ้ทุกทางร่างกายทุกนามการนี่มันธรมธรมดาธรรมดาแต่ทุกใจนี่มันทรมานจนกระทั่งทนไม่ไหวยี่พนเราทนไม่ไหวมันไม่ได้ทุกทางร่างกายมันทุกทางใจที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆเจ้าค่ะซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนเบนมาเป็นว่าเรามาดูที่ลมหายใจของเราหรือมาพุทโธใช่ไหมคะพระอาจารย์เวลาที่เกิดทุกซ้อนทุกต่างๆเนี่ยคะ่ะ ก็มีสองวิธีถ้าเรายังไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่เป็นก็ใช้สติให้ดูลงไปและอยู่กับพุทโธไปอย่าไปสนใจกับทุกข์ของร่างกายปล่อยมันทุกข์ไปอย่าไปอยากให้มันหายด้วยการใช้สติบังคับให้มันดูลงไปบังคับให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วพอไม่ไม่ไปดูไม่พอไม่มีความอยากให้มันหายใจก็ไม่ทุกข์ ใจก็สงบใจก็อยู่กับความทุกข์ของร่างกายได้ค่ะพระอาจารย์เจ้าขาหนูขออนุ ญ, ญาตถามดิคําคถามหนึ่งก็คือว่าคําว่าใช้ปัญญาพิจรารณานเนี่ยบางทีหนูใช้ปัญญามาพิจรารณ า, าความทุกข์ของหนูในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่มันคิดนานจังเลยอะคะ่ะนั่นคือไม่ใช่ปัญญาแล้วใช่ไหมคะก็คิดไม่เป็นไง เ, เวลาแกิดความทุกข์ใจมันต้องไปหาสาเหตุของความทุกข์ใจ ว่ากำ <Ha. S 2> ลังกำลังทุกข์กับอะไรเช่นทุกข์กับลูกทุกข์กับลูกทุกข์พ่ออะไรเพ่ออยากให้ลูกมีมาอยู่กับเราหรือเปล่าทุกข์พาะว่าไม่ได้เห็นหน้าลูกแล้ววงกำงอน <Ha. S 2> อยากเห็นหน้าลูกอยากจะรู้ว่าท้องดีหรือไม่ดีพอเกิดความอยากก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าคิดทางปัญญาว่าเขาอยู่ที่นูน่นเราอยู่ที่นี่เราไปทําอะไรเขาไม่ได้ ไปคิดก็ปวดหัวทุกไปเอลป า, ปาก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะสุขจะทุกข์เราก็ไปทําอะไรไม่ได้ค่ะเราอยู่เน้นตัดตัดความอยากที่จะไปรู้เรื่องของเขาอยากจะไปอยู่กับเขาอยากจะไปช่วยเขาอยากอะไรตัดมันก็จะได้หายทุกข์แล้วค่ะแล้วค่ะนะพระอาจารย์ โอเคนะอเอาคนี้ก่อนนะคนอื่นก็รออยู่เยอะค่ะสาธูเจ้าค่ะเราดูตามคิวเรานะคิวหนึ่งกล้องเรานี่คุณเอกเป็นคนต่อไปนะอ่อเชิญคุณเอกครับการนมัสการพระอาจารย์ครับผมเออเชียงรายใช่ไหมคุณเอกครับผมเชียงรายครับเป็นยังไงบ้างดีไหมปฏิบัติดีไหมเออช่วงที่ผ่านมาก็หลังจากที่คุยกับพระอาจารย์ ก็ก็จะมีไอ้ช่วงที่สงบส่างอยู่สองสามวันนะครับพระอาจารย์เพราะช่วงก่อนไอ้ช่วงปกปกติช่วงเมื่อก่อนที่ทําอะช่วงก่อนนอนมันจะมันจะนิ่งนะฮะแต่ไอ้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ครับก็สติไม่มีอะไรมันถึงไม่ค่อย<ส>ได้อืมครับผมไม่ค่อยควบคุมความคิดเนีมันจิ้มันก็นิน่ง เออครับผมสติเนี่ยเข้าใจไหมอ๋อครับผมอยู่ที่สติอะครับนะครับพระอาจารย์นี่ต้องรีบกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธเลยถ้ามันไม่นิ่งเดี๋ยวไปสนใจเรื่อะไรทั้งหมดไม่สนใจเข้าไปคิดต่ออยโอ้ครับผมรือว่าไม่นิ่งกันแสดงว่าเราขาดน้ำขาดน้ํามันแล้วรีบไปเติมน้ํามันไม่ไปเติมสติโอ้ครับผมครับผม ก็คือแล้วรถแล้ววิ่งกระตกกระตัดแสดงว่าน้ำมันมันจะหมดได้นีบเข้ารีบเข้าสถานีแล้วก็ต้องต้องกลับมาทีู่้โทรใช่ไหมครับค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดเอ่อไอไอช่วงที่มันนิ่งอ่ะครับพระอาจารย์มันมันก็คือตอนที่เข้าไปก็ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเบาใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็จะเบาเบาเสร็จแล้ว เออมันก็แบบว่ามันก็มีความรู้สึกไม่ลาคาญเวลาได้ยินเสียงได้ยินอะไรอย่างเงี้ยครับมันตรงนั้นนี่อยู่ในสมาธิแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์จิตปล่อยวางจิตวางเฉยได้เป็นอุเบกขาได้ยินเสียงไม่ําคานครับได้ยินเสียงก็ไม่ลาคาญมันกก็็นไม่รําาปล่อยมันจิตไว้ได้น่าจะดังว่าจิตถ้ามีความสงบแล้ว อ๋อครับตรงนี้เราเลือกจิตที่มันไม่ลําคาญในรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมครับพระอาจารย์เอเอา่อาอบอุ่นกายโอ้ครัมไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง อ, อือโอตรงนี้นี่เป็นสมาธิแล้วก็เป็นแล้วเร<ข> แ, แต่ยังอาจจะไม่ได้เป็นเต็มร้อยอ๋ยังไม่เต็มร้อยก็แค่เอ่อช้างกะดิขงหงงูแลบลิ้นประมาณนี้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ ก็คือยังไม่รวมเต็มที่ไงไยังไม่รวมเต็มที่นะฮะโูกเสียงจิตลดนี่งหายไปเลยไม่มีอะไรนี่ไมุ่ดแต่รู้ทำได้ก็โอเคแล้วล่ะใช้ได้ให้มันนิ่งนานๆแบบนี้ไปพยายามใช้ตัวจิตรับประคอจงจิตจะปล่อยให้มันไปคิด <ขำ S 1> แล้วมันจะได้นิ่งเฉยๆไปได้นานครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าช่วงตอนเช้าเนี่ยผมผมตื่นมาผมก็ เอ่อจะมาเดินจงกรมก่อนนะฮะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็มานั่งสมาธิต่ออีกประมาณชั่วโมงนะครับพระอาจารย์ในช่วงเชา้าถ้าเกิดช่วงผมผมนั่งสมาธิก่อนที่ผมจะเดินจงกรมมันจิดมันไม่ค่อยนิ่งสัเท่าไหร่ผมก็เลยมาเปลี่ยนเพราะสติยังไมนพอเนี่ยเอาไปนอนจงกรมตามสติก่อนอืมเอ๊ะผมผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทําไมเราตื่นมาช่วงเช้ามันน่าจะ ส ง, งบแต่มันก็ไม่ส ง, งบผมคนเลืกว่านั่งนั่งสมาธิมันจะสนส ง, งบกว่าที่เราจะเดินเนี่ยฮรับเมื่อความจริงมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะไม่สงสัยทำไมอครับใช่ครับอมองข้ามข้อนี้ไปจุดนี้ไปครับใช่ <c oughs> ครับผ ม, ผมไม่สงบการแสดงว่าไม่มีสติก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนเดี๋ยวนีสติหน่เอเดีเ๋ยวกลับกัครับโอครับผม ครับผมสาธุครับพระอาจารย์พระอาจารย์มีเ อ, อชี้แจงเ อ, อมีชี้แนะสั่งสอนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพระอาจารย์ครับก็สตินเนี่ยแหละตัวเดียวเนี่แหละสติสตทั้งวั น, นเลยนะครับเหมือนกับเรียนทองซส์ใหม่ๆก็กอไก่ขอไข่ท่องไปให้มันให้ได้กว่าอย่าไปกวนเรื่องาเอาเขียนได้ไม่ต้องให้มันได้กไก่ขอไข่ด้วยกว่าครับผมครับผมครับผม ครับผมกลับ <GAN ister stone> ขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผม <monthly. S 2> น้มนอมปฏิบัติ<ร>นะครับตามที่พระอาจารย์สั่งสอนครับผมสาธุครับคุณเจษเดนอาจาอันมิวโยนไมโครโฟนได้เป็นยังไงนอร์แคโรไลนาตอนนี้หนาวไหมา ก, าการนวัตการมับพระอาจารย์ตอนนี้อากาศดีเจ้าค่ะดีนะเจ้าค <paired> ่ะไม่ไม่หนาวไม่ร้อนตอนนี้โยงกําลังเจริญสติอยู่แล้วก็รุ่มรุ่มดอนดอนเจ้าค่ะ มันมีดีบ้างไม่ดีบ้างและมันแล้วแต่ช่วงแต่ละวันได้นั่งหรือเปล่าได้นั่งเจ้ะค่ะโยมจะถนัดนั่งสมาธิมากกว่าเดินจงกรมเดินจงกรมโยมไปชอบอแต่เวลาจิตเนี่ยมันดิ่งลงลึกเนี่ยพอลึกลึกเสร็จเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้ยินเสียงใครเนี่ยมาเคาะประตูบ้านเราดังมากทําให้โยมต้องกลับมาแล้วก็แต่พอมองไปมองจริงๆไม่มีใคร ไม่ต้องไม่สนใจความจริงให้มันให้มีสติตอนสติถ้าอยู่กับนมก็อยู่กับนมถ้าพุโทโธก็อยู่พุโทโธอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจโยมจะเจอบ่อยมากแล้วโยมจะขาดสติตรงนี้ทุกทีเลยเไม่รู้เป็นอะไรแล้วมันก็เลยไม่รวมสติมันจะรวมแล้วก็อะไไม่รวมเจ้าขาเป็นอย่างนี้ทุกๆุกรอบพอจะรวมแล้วพอมันจะมีเสียง อ, อะไรมามาอย่างเนี้ยแล้วก็มันทําให้เราขาดติไป ข้อตามไปลองอย่าไปสนใจลองรักษาสติไหวต่อไปเด้๋ ว, ว, ว, ดวค่ะโยมมีเรื่องนี้หนึ่งเรื่องการเมืองยังไม่จบโยมไม่ได้ดูการเมืองนะเจ้าคะ่ะแต่พี่สาวเนี่ยเขาดูแล้วเขาก็เล่าให้โยมฟังโยมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของทางโลกไม่ใช่ทางธรรมเราก็เอาคำภาวนาไปพุโทโธพุโทโธไปพี่สาวก็บอกเออน้น่นมึงก็ไปพุโทโธต่อ เจ้าค่ะโยมก็อโอเคโยมก็โอเคพูดโทรดีกว่าเพราะว่าเขาเก่งทางด้านโลกเขาไม่เก่งทางด้านทำเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมันเป็นเรื่องของทางลูกเจ้าค่ะดีนะนะตามเหนื่อก่อนเราเราเป็นนิจจากลูกกลางหน้าตาเจ้าค่ะมันไม่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราเราเอาดูตัวเราดีกว่าบางทีใจเราก็คิดไม่ดีบางทีก็คิดตี เรอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยบางทีพูดกับเขาไปเขาเกิดอารมณ์เจ้าค่ะเขาก็วางหูไปเวลนยงตัวเงี้ยตัวใครตัวใครเนี่ยเาบอกมีสองเรื่องคุยกันไม่ได้คือเรื่องศาสนากับเรื่องการเจ้าค่ะเขาจะชมคุยกันแล้วก็ตีกันเจ้าค่ะเขาจะชมกันตีกันชมว่าเด็กรุ่นใหม่ในเก่งนะสามารถออกมาแบบมาสู้อะไรเงี้ย โยมก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้เก่งหรอกเขาเก่งแต่เรื่องทางโลกแต่ทางธรรมน่ะเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรโยมก็บอกเขาอย่างเงี้ยเก่งเท่าอยูก็เท่เาไปเก่งในห้องเรียนหจะไปนักเรียนจะไปเก่งคนเท่าถนนได้ไงเจ้าค่ะใช่ไหมโยมก็บอกไม่ไม่ต้องไปพูดเรื่องการเมืองเอาเอาเรื่องของเราดีกว่าว่าวันนี้เราจะทําอะไรพรุ่งนี้เราจะทําอะไรโยมก็บอกพี่าวอย่างเนี้ยไม่ไปยุ่งเรื่องของเขาเลยเอาตัวเราดีกว่า โลกธรรมมีเจริญมีเสื่อนะามิสารเสียง ส, สมีเจริญแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมเสื่อมแล้วโ <c oughs> ยมโยมไม่วนใจเรื่องการเมืองแล้วเพิ่งเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของโย ม, มเอาเรื่องของโยมเอาให้รอดพ้นไม่ไม่ต้องมกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างเงี้ยโยมพอใจแล้วเจ้าค่ะแต่โยมก็พยายามที่ว่าจะพัฒนาเรื่อยๆอเจ้าค่ะโอเคเนะาะเอาแค่นี้ก่อนโอเคแล้วค่ะสาธุเจ้าค่ะ อันต่อไปคุณสุพัฒนาคุณสุพัฒนาเชิญอยากบอกกับการอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้จะมาขอฟังธรรมเจ้าค่ะแต่ว่าจากการที่ที่ว่าอปฏิบัติปฏิบัติในที่ริมของของโยมตอนนี้คือดูดูใจแล้วก็มีสตินะคะแล้วก็ฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันจะมีความ ดูใจตัวเองว่าตอนเนี้คิดบวกมากขึ้นนะคะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้เมตตาคันต่อบคติบาตของพระอาจารย์บอกว่าให้เมตตาก็พยายามเมตตามากขึ้น แ, แล้วใจตอนนี้เหมือนกับว่าเราเรามองเราเพ่งคนอื่นน้อยลงแล้วก็คิดบวกมากขึ้นค่ะอาจารย์ถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือไม่พยายามไปตำหนิคนอื่น ตา้มดีแล้วล่ะนะอ่ารักษาใจอย่างเดียวใจสําคนตอนนี้ยังรักษาใจอยู่นะคะบางที่ไปออกไปข้างนอกนี้ไม่มีใครรักษาใจทั้งคนใจระวุ่นอยตลอดเวลาค่ะอย่าวุ่นลงนะเราเดยนมารู้สึกตัวอะก็พยายามไม่ไม่ไปดูเขาค่ะเราไม่รู้หรอกมีมีนรกมีสวรรค์รอเขาอยู่ค่ะ โอเคค่ะขออนุญาตฟังคำก็ค่ะในวสการพระอาจารย์ด้วยค่ะคุณมารคุณมารเชิญเปิดไม้กราบในวสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างสบายดีนะสบายดีครับเมื่อวานฟังสังกิจไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ก็ก็เื้ไปได้ยังไงนะอะไรครับแล้วเข้าไปได้ยังไงนะอ๋อกดติดตามเ facebook อันนั้นอยู่แล้วครับพระอาจารย์โอเค อ่านประวัติตอนระหว่างที่ไปไปบวชนี่ให้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรามากขึ้นเพราะปกติเราอยู่มาสบายมาทั้งชีวิตแล้วตอนบวชเออใช่เรามันไม่เหลืออะไรเลยแบบมีมีผ้าแค่สามผือนอย่างนี้เออเลยอย่างนั้น <c oughs> ก็เลยแบบก็ เ, เหลือแต่ลมหายใจเวลานั่งก็เหลือแต่ลมหายใจก็จับลมหายใจไปพอศึกมา น, นี่มันก็ เ, เหมือนอัตโนมัติเราแบบไม่ต้องกำหนดมันก็แบบเดินเดินอยู่เอากําหนดลมหายใจเองเออก็พยายามรักษาความเพียรวันนี้ไว้อยู่ครับว่าอาจารย์อ่านี๊ อ่านประวัติอ่านเพระอ่านตร ว, รวพระอาจารย์เป็นกำลังใจตอนสมัยตนบวชคือสงสัยว่าพระอาจารย์สมัยก่อนเป็นฮิปปี้แล้วมาบวชอย่างนี้แล้วมันไม่แบบฝืนแบบธรรมชาติตัวเองเกินไปหรือเปล่าครับพระอาจารย์มันฝืนกิเลสทุกคนมีกิเลสครัครั บ, รบ แ, ตแต่เมื่อมองเห็นเห็นเห็นประโยชน์ของธรรมเห็นโทษของกิเลสก็ต้องยอมฝืนอ๋อครับ เพราะแบบจิปปี้นี่คือเขาอิสระจากผู้อย่างแบบจากกินตอนไหนก็กินจากทําอะไรอะไรก็ทำอย่างเงี้ยอิสระแบบที่เลสไงมันอิสระกิเลสแล้วมันก็ผลก็คือทุกข์เวลาไม่มีกินเวลาไม่มีเวลาทําอะไรไม่ได้ก็ทุกข์อาจารย์แล้วการถ้าจะบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่คือเวลาบรรลุจะค่อยๆแบบมันจะพ่งไปเลยหรือว่ามันจะเรื่อยๆแล้วโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยครับอาจารย์ อ๋อมันรู้ตัวไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องตระหนะให้ปฏิบัติไปปล่อยวางร่างกายให้ได้ครับเวลามันไม่กลัวตายมันก็รู้เองว่ากูอตอนนี้ไม่กลัวตายนะเวลาไม่กลัวเจ็บก็รู้ว่าตอนนี้ก็ไม่กลัวเจ็บนะครับแล้วการสตินี่มันสามารถสตินี่มันขึ้นอยู่กับร่างกายไหมครับแบบร่างกายช่วงไหนอ่อนแอสติมก็จะอ่อนลงด้วยแบบนี้ไหมครับอาจารย์อ๋อมันสติมันอยู่กับจิตแต่บางทีร่างกายมันก็ทําให้ อารเจริญสติที่อาจจะยากแ่มันไม่ได้อยู่ในร่างกาย <c oughs> หรอกก็แบบกาลังใจจากพระอาจารย์ที่สํสนนาคัญคืออาจารย์บอกว่าความสุขแบบที่ได้จากการปฏิบัติทำเรื่อยๆเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วมันจะไม่มีทางเสื่อมความสุขนี้มันจะถาวรเลยใช่ไหมครับพระอา <c oughs> จารย์ปฏิบัติได้มากขึ้นในผลมากขึ้นความสุขก็จะมากขึ้นความทุกข์มันจะน้อยลงไปตามระดับ <c oughs> มันมันจะสุขแบบอยู่เฉยๆก็สุขหรือว่ามันต้อง นึกคิดอะไรแล้วสุขอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ก็มันก็ต้องคุมจิตน่ะพวกคุมจิตให้สงบมันก็จะสุขล้วาคุมจิตไม่ได้มันก็ยังทําไม่สงบมันก็ยังไม่สุขนี่คือสงบจากสมาธิหรือสงบจากปัญญาครับอาจารย์ทั้งสองอย่างนอยากได้อย่างหนึ่งถ้าสงบอย่างปัญญามันก็ถาวรสงบอย่างสมาธิมันก็เอาไปรูสติมันก็ไม่สงบ ว่าไม่ตอนพอตื่นออกมานี่โอ้โหไม่นึกว่าโลกมันจะอะไรสังคมมันจะเดือดร้อนอะไรขนาดนี้ก็เลยโ อ, ح, อ้โหอเราก็แบบยังไมังไม่เดือดร้อนไง<ำ>เราะวกันใช่ไครับมันอยู่แบบใอุเบกขาแบบมันใช้ทุกอย่างเลยใช้อุเบกขาใช้ขันติใช้ปัญญาโอ้โหแบบมันใช้อุเบกขาอย่างเดียวไปได้ก็ต้องมีแบบติ ป, ปัญญาช่วยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์นั่นแหละถ้ามีปัญญามันก็จะมีอุเบกขาตาม ขัน ต, ญญติก็มาขดเบิกขาสติตัปนปัญญาเป็นตัวที่ทําให้มีอุบเบกขาแล้วขันติอะครับพระอาจารย์อ้าขันติก็เป็นความอดทนอดทนต่ อ, เ, อเหตุการณ์ต่างๆที่มารูมเล้าจิตใจทนสู้ไปอย่ายกอย่าอย่ายอมแพ้อย่ายกทงขาว ท่านถ้าถาพูดถึงเราเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมในเรื่องทางโลกเราก็แพ้ทุกเรื่องเลยสิครับเพราะเราไม่สู้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็แพ้เป็นพระไนี่ยอยากจะชนะเป็นมารหรือเปล่าก็เป็นท้าพระพระชอบโดนรังแกด้วยก็ใช่ไหมครับโดนังแกแต่เพียงทางร่างกายแต่จิตใจนี่เป็นผู้ชนะครับ แ้วถ้าเขาแบบรังแก่พ่อแม่เราเราก็ต้องออกมาสู้ครับ<า>ถ้าสมมุติว่าพ่อแบบคนมากงพ่อแม่เราแล้วอุเบกขาก็ถือว่าละเลยหน้าที่ไหครับหรือว่าก็ต้องดูว่าเราไปช่วยเขาได้ปะช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไปอ๋อครับแต่ถ้าแบบกับเราโดยตรงแล้วก็แพ้ๆไปแต่ถ้าแบบมันมีแบบพ่อคู่มีพ่อคุณพ่อแม่อการละชีวิตสละชีวิตเพื่อทํา จะไ ด, ดนนได้เป็นโสดาบัน้ยอยากจะเป็นโสดาบันไม่ใช่หครับอ่ะนะพระโสดาบันได้เป็นพระแพ้เป็นพระนะแพ้พ<า>ได้เป็นพระโสดาบันบแต่ถ้าชนะก็เป็นเป็นยักษไปจริงนะครับตอนบวชนี่คือสองรอยยิบเจ็ดเขาบอกว่าต้องอะไรอะยอมตายดียวกว่าศีลขาดแต่แล้วมันนับศีลแบบพวก อไอ้เล็กน้อยไหมครับคือบางทีมันแบบมันเครียดกับสีมากเกินไปไหมครับพระอาจารย์แบบพยายามมีสติแล้วแต่มันแบบเคร่งเียดห้ามผิดห้ามผิดนะอะไรอย่างนี้นหรืครับอ่อย่าไปเครียดกับมันมากขอเล็กข้อน้อยก็บางพังเผยได้บ้างก็ลงอาบัตได้แต่ข้อใหญ่ๆสี่ข้อนี่อย่าไปอย่าไปอย่าไปทําผิดนครับเวลาทิ้งสีครับแ <4. S 2> บบนี้ก็สบายใจเพราะแบบที่ผิดบางทีอย่างแบบมันมีแบบเล็กเล็กน้อยๆแบบ แบบก็เลยไม่ไม่ผิดเลยครับก็เลยภูมิใจที่ตัวเองทําได้เลยครับโอเคแค่นี้แหละครับขอบคุณที่ก่อนนี้ครับขอบคุณวิชาต่อคุณวิชาอาจารครับอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินครับเพิ่งกลับมาจากวัป่าธรนมกรีครับนะไปอยู่ว่ากวันหกคืนครับหคืนนะงดงไหมดีมากเลยครับรอบนี้แล้วก็ อพอไปถึงก็คือช่วยก่อนงานกะระทินแล้วก็น้อมเอาคําสอนครูบาอาจารย์มาคือมาพิจารณาก่อนที่นัปกติเวลาผมนั่งสมาธิผมพอนั่งปุ๊บถูโ ๆ, ๆเลยอันนี้เราก็เลยเอาคุณครูของครูบาอาจารย์น้อมเข้ามาแล้วลึก ๆ, ๆพิจารณาพอพิจารณาปุ๊บมันก็เหมือนจิตก็ค่อยกค่อยกค่อยอดค่อยเวลานั่งแล้วก็เลยนั่งได้ ได้นา น, นแล้วก็รอบนี้มีปิติด้วยแล้วก็นานสองชั่วโมงน่าจะสองชั่วโมงไม่ได้ดูเวลาเลยคือมีสะอื้นมีน้ําตาไหลมีมีมีอาการบิติแล้วก็ยัางวันกระถินเนี้ยเราก็คือปิ๊กมันมันเหมือ น, ม, นมันปิติสุกจนมันน้ําตาไหลออกมาเองโดยที่เราเราคุมมันไม่ได้คือพอเห็นพระอาจาร์เทพ เราได้ร่วมงานเราได้ชวนเชิญวนอะไรอย่างอีกเราได้ทําบุญตรงนั้นด้วยทั้งทุกอย่างน้ำตาไหลออกมาเอ ง, เอ ง, เองแล้วก็ยังเมื่อเช้าก็น้อมเอาคําสอนอาจารย์ที่ที่ผมไปปฏิบัติเนี่ยเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการทําตามคําสอนครูบาอาจารย์ก็เอามาใช้เป็นเป็นข้อพิจารณาตอนก่อนก่อนจะเข้าสมาธิครับก็ ทำได้ดีรอบนี้ทั้งทั้งเดินแล้วก็ทั้งภาวนาทำได้ดีบนุกห่างแล้วก็กลับเรียนรอาจารย์เลยว่าเดี๋ยวผมจะไปคือพอช่วงไปช่วงยาวๆมันได้เราได้ทำอะไรหลายอย่างที่ที่ไปแบบวันสองวันทำไม่ได้อย่างเช่นการข้อวันยังทำวาดลานทำความสะอาดบริเวณวดัดอะไรแบบนี้คือทำวัชาวัดเย็นภาวนาคือ อย่างมันเป็นการภาวานาหมดเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราไปนั่งจริงๆล้ว เ, เราได้เจอกัรนยอะไรอยา่านที่ที่วัดที่เขาปฏิบัติอยู่เป็นแบบให้ข่าวอะไรเนี้ยเขาก็ให้คำคำสอนคำแนะนำในบางเรื่องที่บางเรื่องที่พระอาจารย์ท่านไม่สามารถสอนเราได้โดยตรงก็ได้ก็ได้ไดท่านเหล่านั้นคือช่วยสอนเราอาจจะทางอ้อมบ้าง ทางตรงบ้างหรือพระอาจารย์ท่านท่านท่านสอนเราเนี่ยท่านก็ไม่ได้สอนตรงๆท่านท่านเปรียบเทียบให้เราเก็บกลับมาคิดแล้วก็พิจารณาเองครับครับอเคนะถ้าไม่มีคําถามแนละ้วเดี๋ยวขอไปท่านกลนะับไปนะโอเค okay. คุณพิงพิดาก่อน น, นอนะนะคุณมานาแล้วคุณพิงพิดายังอยู่หรือเปล่าพิงพิดาค่ะ กรรมใมรดกการค่ะพระอาจารย์นยงยงยังยังฟังอยู่ค่ะอะสบายดีค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์นี้ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสติระหว่างวันเนี้ยก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังนั่งสมาธิได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องการพิจารณาก็ยังชอบพิจารณาเรื่องกระดูกเหมือนเดิมค่ะก็ดูเราดูลูกเราคนที่เรารักครอบครัว ว่าทุกอย่างเป็นกระดูก<ม>เป็นดินเป็นธาตุนะคะแบบไม่มีอะไรเป็นตัวตนแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราอะ่ะประมาณเนี้ยค่ะด็ค่ะที่รักษาใจให้สงบ น, นะค่ะค่ะอย่าไปหลงกับเรื่อง ต, ต่างๆทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวนะอันนี้จำเดี๋ยวก็ตายไปหมดทุกคนทั้งเขาทั้งเรานะ อยู่เป็นแบบสามัคคีรักกันดีกว่าหรอวามันมตะกันมันได้เลยค่ะค่ะไม่หนูก็ไม่สนใจเรื่องการมองอะไรค่ะไดะการเรืองเล่นได้แต่ต้องเล่นแบบมี ก, ะกฎะมีกติกามีเป็นแบบสุภาพอุษสุภาพสติีเยะไม่ใช่เล่นแบบมา้มเบบมาเห่าเหาดากันไปดากันมา การเงินก็มีไว้เพื่อปกครองบ้านเมืองทุกคนเคารพกฎระเบียบกฎกติกามันก็มันก็น่าเล่นอ่ะแต่ถ้ามันไม่เคารพมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้แหละค่ะคุณนายหวงเข้าใจพูดดีกว่ารับมือรักษาใจปฏิบัติธรรมปฏิบัตินะค่ะค่ะพระอาจารย์มีคําถามอะไรไหมไม่มีค่ะวันนี้เข้ามาฟังค่ะแล้วก็หนูหนูยัง เอาคำสอนพระอาจารย์ที่แนะนํำไมตตานะนำหนูมาทุกสัปดาห์ก็อยูเอามาปฏิบัติอยู่ตลอดค่ะโอเคเชิญเดี๋ยวขอไปที่ท่านหนึ่งจานนะค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะพระกว้างพระกว้างพระกว้างอ่าเป็นบุตรทาเหรอหลวงพ่อเหรออป่อยไม้ก่อนหลวงพ่อครับผมยังเพิ่งเพิ่งหัดเล่นครับผมวันนี้ไปเจอพอดีครับผมนัการกับพระอาจารย์ ได้ยินไหมครับเป็นพระก็เป็นโยมเนี่ยเ ป, เป็นพระครับอ๋อเป็นพระบวชได้กี่พรรษาแล้วล่ะได้สามพรรษาแล้วครับผมออยู่แถวไหนอยู่บึงบึงการกับพระอาจารย์น้องคายนะครับน้องคายบึงการจังหวัดใหม่นะครับ ก, ก็เข้ามาฟังเพิ่งเพิ่งหัดเล่นแล้วก็ว่ามีอะไรก็ลองๆ อ, องดูก็แต่าการปฏิบัติก็ได้ยินเท็จของพระอาจารย์อยู่ก็เอาฟังแล้วก็อ๋อรู้สึกว่าโดนใจนะครับก็เลย เข้ามาหัดเล่นซูมใหม่ที่โปรแกรมมันแอปแอปตัวนี้ลองดูครับผมผมก็เลยสมัยนี้พาะเราก็ต้องทันสมัยหน่อยนะนะครับผมก็เพิ่งเพิ่งพ่งหัดเล่นแต่ก็มีเรื่องจะถามพีาจย์อยู่ก็คือระยะเวลาทั้งสามปีที่ตอนตอนไปโยงก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็เพิ่งลาออกแกคขัการก็มาบวชได้สามพรรษาบวชตอนที่เฉลืมพระเกียรติที่ ประชุมเพลิงของในหลวงรัการเก้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับผม hmm. ก็เลยบวชมาก็แต่ปฏิบัติของผมก็คือก็มีเดินโยกกลมแล้วก็อ่านั่งสมาธิแต่อาการที่มันเกิดก็คือมันจะเป็นถ้าเราน้อนมาปั๊บหนีขนจะลุกทั้งสู้ทั้งทั้งทั้งร่างกายตลอดตลอดเวลาที่ที่ถ้ า, ถ, าถ้าเรานองขึ้นมาก็คิดเอ้ยเป็นอะไรเนาะยังคิดอยู่ว่าขนจะลุกอ มันจะลุกแล้วก็มีปิติทุ่ส่าอย่ารนีแล้วเดินไปก็เป็นนะครับพระอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะนั่งนั่งนั่งก็เป็นเดินก็เป็นถ้าถ้าเราจะถ้าน้อมกิตเข้ามาอยู่ที่ใจมันก็จะเป็นทันทีอันนี้ก็คืออาการอะไรครับพระอาจารย์ก็อาการอย่างที่มันเป็นอนะ่าให้เล้่เฉยๆไปแล้วเราจะทํายังไงเพื่อที่จะให้มันจะเลินให้มันมีจะเลินทางธรรมเพื่อจะอ่าพิจารณาเพื่อให้มันหลุดพ้นเพื่อจะได้ผลทุก์ได้นะครับ อ๋อขั้นตอนก่อนต้องไปนั่งสมาธิให้จิตมันรวมก่อนอ๋อครับผมให้มีสตินั่งดูลมหายใจและนั่งพูดโทกระกรรพุดโทไปจะพูดโธก็มีสมาธิครับแล้วพูดโทสมาธิแล้วต่อไปมันก็ไปทางปัญญาพิจารณาไตรักครับผมนร่างกายเราไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นน้ำลมไฟไม่เช่ตัวเราทั้งนองครับผม มันก็จะเป็นก้าวหน้าต่อไปได้ครับผมยังไปติดกับปิติเวลามีความรู้สึกทราบซึ่งอะไรก็ให้น่วงมก็เป็นเป็นทางผ่านนะครับผมเราต้องไปสู่ที่จิตรวสมสงบนิ่งวา่างเย็นสบายอืมครับผมแต่ตัวนี้ถ้าถ้าเราจะจะให้ผ่านปิติตรงนี้ได้แต่เราต้องใจวางจิตยังไงครับพระอาจารย์ ก็ต้องพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจมันพุทโธอย่างเดียวนะครับพุทโธอย่างเดียวหมายว่านันจะนั่งจะเดิจะยืนก็พุทโธพุทโธไปอืมมันเกิดอาการความรู้สึกอะไรก็อย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมีอาการอย่างหนึ่งถ้าเราไปงานศพหรือไปมาติกาเนี่ยมันจะเนนหวงที่จิตใจมันจะเหมือนกับว่ามีอะไรเขามีกระแสอะไรเข้ามาเนี่ครับกิเลของเรากิเลสของเราเองทำไมชอบศพ อสถาการขึ้นมาแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าครับผมถ้าเราเข้าไปตรงที่ตรงที่มีพวกพุทธรูปหรืออะไรศักดิ์สิทธิ์มันจะอาการขนขนลุกมันจะเกิดขึ้นทันทีโดยที่เราไม่ได้ทําอะไร น, นะครับอาจารย์คืออะไรครับจิตของเรามันมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เห็นอยา<ม>่างหก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งอเนกอยางก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่จิตเรายังไม่สงบจิตเรายังไม่มีอุเบก ออครับแล้วปฏิบัติไปถ้ามีความสงบบนเบี้ขาแล้วมันจะเฉยเห็นท้องมันจะลก็เฉยเห็นศพก็เฉยครับแล้วเราจะปฏิบัติยังไงเพื่อจะให้มีอุเบกขากับการเกิด้นเยับาาตแล้วก็พูดโทไปอันต้องครับผมต้องเจริญพุทโธเจริญสติเยอะๆใช่ไหมครับให้มีสติให้เจ็ดมันรวมแล้วมันจะได้อุเบกขาแล้วต่อไปมันเห็นศพก็เฉยเห็นทลกก็เฉย โอ้ครับผมครับผมกรรมน้ำประการครับอาจารย์ครับขอบขอบพระคุณครับรู้สึกว่าถามกันหมดแล้วทุกคนเอาคุณคุณก้องเหรอคุณก้องศูนย์ศูนย์ศูนย์คจริงเอาคุณก้องก่อน้ะเดี๋ยวค่อยไปที่คุณพรุดาพระรุดาครับครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับอว่าไงอยู่ที่ไหนอยู่เฮปรบุรครับเพชบุรีเอรอ ครับเป็นยังไงมีอะไรไหมมีครับสามภาคก า, ารยเพลงผมพ่อแม่ผมเครียดมากเลยครับพ่อพ่อแม่เอาเป็นไปเล่าทางจิตเวชเนี่ยแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่าก็เหมือนเหมือนใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปครับแต่พอผมมีเรื่องพอผมมีปัญหาเรื่องเรียนเรื่องอะไรเคี้ยผมผมไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาตรงๆครับ กลัวกลัวเขาเครียดว่างอะไรนีครับแล้วก็บุญีเขาอยากอยากให้เขาอยากให้เขาหายเหมือนกันครับความอยากมันไม่ได้ทาให้เขาหายหรอกอเขาจะหายก็ต้องมีสติก็ต้องฝึกสติเราจิตนี่มันเกิดจากการขาดสติปล่อยให้ใจคิดเรื่องต่างๆนานาแล้วก็เครียดแล้วก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็ทุกขึ้นมาถ้าก็มีสติหยุด คิดได้ใจเขาก็จะเย็นจะสบายมีวิธีไหน ท, ทำให้เขาฝึกสติได้ก็ยยากก็มีแต่นี่แหละให้เขาได้ยินได้ฟังธรรมบ่อยๆเขาก็จะได้รู้วิธีรักษาจิตมาได้แต่ถ้าเขาไม่ศึกษาธรรมก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปพูดมันต้องไปเล่าเรื่องของเราให้เขาเครียดเราเล่าให้เขาเครียดก็อยากไปเล่าอต่กถ้าจะเป็นต้องเล่าถ้าไม่เราเราทำให้เราเสียปิ้นปิ น, ปน เ, เราก็ต้องเล่าเหมือเขาจะเครียดไม่เครียดมันอยู่ที่ใจของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าแต่ก็โชคดีครับพี่ บาทีพ่อแม่เขาก็ชอบเข้าวัดด้วยครับแต่ว่าก็พอผมอยากไปหาวัดแถวนเนี้ยครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะหาหาพระหาวัดที่เแบบอยากจะหาวัดที่ปฏิบัติแบบมากมเนี่ยครัแต่ว่ารู้สึกว่าจะหามาทำเห้น ไ, ไม่ค่อยได้ครับเอก็ อ, <ๆ>อย่างว่าและเพราะชีวิตเรามันมีงานเยอะเรียนหนัง<ๆ>สือเน้นทำ อ, อะไรก็ ช่วงที่มันไม่ต้องเรียนวันหยุดวันหยุดเรียนก็ไปวัดอย่ากไปเที่ยวเปลี่ยนเปลี่ยนที่ท่านี้ไปเที่ยวกไปวัดท่านี่จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปวัดมันก็ไม่ีเวลาแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเรายังชอบเที่ยวชอบเที่ยวชอบดูชอ บ, ช อ, บอะไรอยู่มันก็มันก็จะไม่มีเวลาไปวัด เวลามันมีพวกเราทุกคนมียี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันทุกคนใช่ไหมทำไมบางคนเขาไปวัดได้ทําไมเราไปไม่ได้ก็อยู่ที่เราไม่จัดเวลาไปวัดมันก็ไม่มีเวลาไปวัดเราจัดเวลาไปวัดดูเลยใช่ไมถ้าเกิดครับถ้าสมมติว่าเราเราเบื่อเราแ เ, เ, เบื่อทั้งโลกเราไม่อยากเราไม่อยากเรียนเราไม่อยากใช้ชีวิตต่อไปตั้วเราไปบวชเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับพ่อแม่เขาอยากให้เราเรียนเนี้ยค นี้ถือว่าไม่ดีไหมครับหมายถึงเราอยากบวชแต่พ่อแม่อยากให้เราเรียนนี้เหรอใช่ครับใช่ครับผมบอกว่าอยู่ที่เราเราอยากจะบวชจริงหรือเปล่าบวชแล้วบวชไม่สึงได้าป่าถ้ายังไม่มั่นใจก็เรียนไปก่อนเรียนให้จบก่อนให้เขาสบายใจก่อนว่าอย่างน้อยเราเรียนจบแล้วเราเป็นตัวของเราเองแล้วนี้ต่อไปเราอยากจะบวชเราก็ไปบวชของเราเองได้ แต่ตอนนี้เขายังคงเราอยู่เรามัอนยังเป็นเป็นเด็กเป็นลูกเขาอยู่แถ้าเราเรียนจบแล้วมีงานทําแล้วเป็นตัวของตัวเราเองแล้วเขาก็อาจจะสบายใจแล้วต่อไปเราจะไปบวชก็ว้องเขาไหมเขาก็คงยังไม่กังวลเท่าไหร่เห็น ต, ตอนนี้เรียนให้มันจบก่อนนิบัตินะท่านจเรียนให้มันจบ เดี๋ยวไปบวชเรียนก็ไม่จบไปไปบวชเดี๋วก็เสร็จกลับมาก็ไม่ได้เลยทั้งอย่างถ้าจะไปบวช น, นี่ต้องมีอย่างน้อยแน่ใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นาจะไม่เสร็จนะถ้งไปบวชถ้าไปบวชแล้วเสร็จก็ไม่จำอยากไปบวชก็ได้ถ้าบวชแล้วเสร็จไปบวชทาไมนะทำไมนี่เรียนธรรมะโดยที่ไม่ต้องบวชก็ได้มีหนังสือธรรมะให้เรียนมีสถานที่ไปปฏิบัติได้ ไหมนกับพระบวชทีให้บวชจริงๆดีกว่า อ, อย่าไปบวชเล่นๆบวชแค่สามเดือนแล้วก็สึกออกมามันก็ดีมันก็ ด, แกดีแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากได้แค่สามเดือนงยังไม่ต้องกังวลเรื่องบวชตอนนี้กังวลเรื่องเรียนให้มันจบกอนดีกว่า น, นะให้พ่อแม่เขาสบายใจ ลูกอย่างน้อยก็มีวิชาความรู้เลี้ยงตัวเขาเองได้แนละ้วโอเคนะ น, นี่นีก่อนนะคุณพรรดามีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะถามไหมกมารน้ำพระสการเจ้าค่ะพอาจารยได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินมีอะไรก็ถามได้เลยไม่มีเจ้าค่ะเข้ามาฟัง <c oughs> ตอนนี้สบายสงบแบบเวลาอะไรก็แล้วแต่ก็มันจะอยู่ที่เดียวมีความรู้สึกอยู่ที่เดียวไปรับรู้แล้วก็มันก็กลับมารู้สึกอยู่ที่เดียวให้รู้เฉยๆอย่าไปมันไม่มันไม่มันไม่ไปนานก็จะกลับมากลับมาที่ตัวนะกลับมาที่หล่ะช่วงนี้เป็นแบบนี้สกลับมาที่รู้ค่ะอยู่แบบนี้ ไปเหมือนกันแต่แป๊บเราก็กลับมาอยู่่นี้ยค่ะแล้วก็สบายดีค่ะเจ้าค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะคุณตุ้ยเหรอคุณตุ้ยเรื่อคุณตุ้ยยกมือขึ้นไม่เห็นภาพเลยคุณตุ้ยไม่มีไม่เห็นนหน้าเด่นยังไม่เห็นภาพคุณตุ้ยเหรอ ไปที่คุนขวัญก่อนนะคุณขรับคุณขวัญ okay, <ค>เป็นยังไงหายหน้าไปเลยกลับมาทำงานเจ้าค่ะงินหมดนะไม่มีเงินใสมาแล้วเลยตกหน้าเนี่ยรายงานตัวเจ้าค่ะตอนนี้ก็ยังรับสารสินแปดอย่างต่อเนื่องแล้วเจ้าค่ะแล้วก็วอ่าตอนนี้ก็มีไป ท, าทําการคุาเอ่อ สิบห้าวันนะคะต่อต่อเดือนนะคะแล้วก็ได้หยุดได้หยุดได้หยุดสิบห้าวันนะคะแล้วก็รับเงินเดือนแค่สิบห้าวันเช่นกันนะคะแล้วก็ อ, อมีการประกัดต่อเนื่องโดยทําบุญทําทานยังทําอยู่ทุกวันนะเจ้าค่ะแต่ว่าเออ่ไม่ได้ไปทําที่อื่นจะทําโดยวิธีการโอนไปเจ้าค่ะเดีเหมือนกันสะดวกเลแล้วก็ มีคนชวนไปรู่นไปนี่ก็จะไม่ไปเจ้าค่ะจอดเดี่ยวดีไม่ค่อยมีคนชวนไปไหนแล้วเจ้าค่ะเออดีเก็บตัวดีกว่านะเรานักภาวนาไม่ใช่นักบุญ อ, อนักบุญก็ไปเลยทุกบุญเลยถวิญเอยผ้าป่าเอยสร้างโบสถ้างเจดียด์ไปแต่ถ้าเป็นนักภาวนาแล้วไม่ไปไหนแล้วนะอนะาจจะทําบุญก็โอนเงินไปเดีที่สุดง่ายดีสะดวกแล้วไม่เสียเวลา อดีละอ่ายินดีที่เข้ามาไม่เห็นหน้าท่านนานแต่ฟังวันนี้วันนี้เจ้าหามีคนสายบาดก็ถามถึงคนที่เคยสายบาดใกล้ๆกันมาหายเป็นไหนผมว่าคงยาตอนนี้คงยาไม่สะดวกมั้งอะไรไม่ได้มาเมื่อกีอนะไม่มีอะไรจะถามใช่ไหมไม่มีเจ้าค่ะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะ โอเคเดิน okay. ไปที่ท่านต่อไปคุณจิ๊บอยาในเวลาคุณเข้ามานะคุณจิ๊บปล่อยไวนะ้ได้ไหมกลับนมัสการค่ะอาจารย์สบายดีไหมเจ้าคะสบายดีจา้าอ๋อนนี้ยมไม่มีอะไรคะ่ะเมื่อวานนั้นยมนั่งสมาธิแล้วมันรู้สึกสงบมากเลยเจ้าคะ่ะมันพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็รู้สึกอารมณด์ดีรู้สึกว่ามันสมองมันปลอดโปร่งก็ เพรอนั่งถ้ายมนั่งช่วงห้าทุ่มมันจะง่วงอะค่ะก็เลยพอตอนนั้นหลับไปแล้ ว, ลวตื่นมาตอนตีสองแล้วมันนองนั่งดูอีกรอบนึงมันก็โอเคมันดีกว่าค่ะเจ้าค่ะอ่าก็เวลาไหนาที่ดีก็นั่งเวลานั้นก็แล้วกันเลยว่าคราวหน้าจะลองปลุกตัวเองให้ตื่นตีสี่ดูแล้วลองขึ้นมาสวดมนแล้วนั่งสมาจิดูอ่ะค่ะอ่าตอนเช้ามันมันมจะดีกว่ามันสงบง่ายกว่าเพราะว่าจิตมันได้พักมันไม่ได้ คิดมากเหมือนตอนที่ตอนเย็นตอนเย็น น, น, นี้เราไปคิดมาทั้งวันพอามานั่งตอนเย็นมันก็ยังคิดอยู่ค่ะแล้วถ้าเราสมมติว่าถ้ า, าโยมอยากจะลองคือพยายามจะเดินตรงกลมแต่ว่าเวลาเดินนี้เหมือนเปิดเราต้องตั้งเป้าหมายไหมเจ้าคะว่าอเราเดินจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็เวลาเดินก็มองตรงๆแล้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้หลืเจ้าคะ ตามธรรมดาเดินจงกรมมันก็ต้องมีทางเดินมีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนแล้วก็เดินวนไปวนมาแบบนี้เดินกลับไปกลับมาไม่ได้วนกลอ่ะใช่ใช่ค่ะเดินกลับไปกลับมาค่ะแล้วคือไม่คือเหมือนเราแค่มีสติกับคําบริกรรมเท่านั้นก็พอแล้วใช่ไหมคะเวลาเราเดินจงกรมพอแล้วก็ดูทางเดินด้วยไม่ให้เดินไปแล้วชนนู่น ต้องถอดรองเท้าไหมคะโยมกลัวมากลยแถวบ้านมันจะมีสนามหญ้าไม่ต้องถอดก็ได้ <S 1> <S 1> แล้วเขาชอบเอาหมามาเดินกันแถวนี้ก็เลยกลัวว่าจะเจอแล้วอาจจะเหยียบอะไรแต่รองเท้าไ ด, ไาาไดไ้ไม่มีอะไรแต่รองเท้าได้ใช่ไหมคะค่ะไม่ไม่มีอะไรเขามีโยมก็โอเคค่ะวัดีเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องงอนงอนลูกก็งอนอนกันเล็กน้อยก็ ก็เลยเออเตื่นมาก็โอเคเราเริ่ ม, มกันใหม่นะลูลกนะอันนี้เพื่อนเพื่อนที่อยู่มา ร, รด้วยกันไม่ได้เข้ามาคุณเซรินทร์อ่าเซรินทรอนเหรอคะเซรินทรอนยังไม่ได้เข้ามาเหรอเจ้าค ะ, ะไม่เข้ามาอ๋อแต่เขาฟังอยู่นะั้นโยมว่าเขาฟังอยู่เจ้าคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมไปลองเทคมาเสรจบอกว่าพระอาจารย์ถามถึงให้นะเจ้าคะไม่ต้อง <c oughs> ไม่้อเดียวนี่โยมว่าเขาฟังพระอาจารย์อยู่ค่ะเดี๋ยวเขาได้ยินแล้วเดี๋ยวเขาก็คงเข้ามาค่ะ อาจะไม่สะดวกที่จะเข้ามาก็ได้ค่ะค่ะช่วงนี้เขาก็งานยุ่งพอสมควรเหมือนกันค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ยมจะพยายามปฏิบัติจะเริมจะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่เลยนะค่ะสาธุค่ะครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่ได้เจอสาธุค่ยมยมตั้งใจมากแล้วค่ะ ยมแค่บอกว่าเออชาติห น, น้าเราไม่รู้แต่ชาตินิยมตั้งปณิฐานตั้งอธิษฐานว่าเออขอให้ได้นิพพานชาตินี้หรือว่าถ้าไม่นั่นก็ให้ได้เต็มที่เอาที่เต็มที่เต็มที่อะค่ะอา่าอันนี้มีโอกาสช่วยโอกาสถ้าอย่าปล่อยให้มันหลุดไปค่ะยมมีโอกาสได้เจอพระอาจารย์แล้วยมยมจะไม่ปล่อยโอกาสนี <broccoli> ้หรอกเจ้าค่ะดีโอเคค่ะกลับลนมัสการาพระอาจารักษาสุขภาพนะเจ้าค่ะ นะทุกจ้าคือว่าทุกคนได้ได้ถามแล้วได้พูดแล้วถนี้ก็อยากจะถามก็ยกมือขึ้นได้มีมีมีคุณสายทิพย์เข้ามาใหม่นะฮะพระอาจารย์สายทิพย์มาเชิญในภาษาทิพย์ค่ะการนมัสการพระอาจารย์ค่ะเคยเข้ามาอยู่หลายครั้งอยู่ค่ะอยู่ที่ที่ตลาดคามค่ะที่ที่เป็นอ่าค่ะเป็น อาจารย์แต่วังวันอยู่ขอนแก่นค่ะบ้านคุณพ่ อ, อ, อมีอะไรจะถามแม่วันไก็จริงๆเปิดเปิดฟังพระอาจารย์อยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้มีมีงานกับนิสิตก็เลยก็เลยต้องฟังทั้งสองทางก็จบงานนิสิตก่อนแล้วค่อยค่อยเข้ามาอ่าอ่ามาฟังพระอาจารย์ค่ะก็ของตัวเองนี่ น่าจะมีปัญหาคือพลังานเยอะจนเหมือนสมาธิมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะแต่ก็พยายามเอาศินห้าให้ได้เรื่อยๆค่ะสินห้านี่เป็นปกติแต่ด้วยพลังานด้วยร่างกายค่ะมันเหนื่อยง่ายนั่งสมาธิก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้สมาธิเท่าไหร่ค่ะก็ไม่เป็นไรทำได้เท่าที่ทํำไปค่ะ ก็เลยคิดว่าค่อยๆทําไปเพราชีวิตของเราคือยังมีมีมีภาระต้องทําอยู่ค่ะก็เลยทาทำปฏิบัติได้น้อยหน่อยค่ะอย่างว่าสมุนทำทานรักษาสีหน้าไปค่ะตายไปก็ได้ไปสวรรค์ละนะไม่ต้องไปเกิดอนในบ้านค่ะแล้วก็ฟังธรรมบ้างอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วคุณชาลินทร์ค่ะ วันนี้<ม>ยังไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ค่ะสดีจ้าโอเคสวัสดุสค่ะมันสลินทาร์ยังกำลังเข้ามาอยูอ่เข้ามาแล้วอัสดีจ้าคิดว่าไม่อยู่ซะแล้วม<บ>าแล้วค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินยมยังหรือยังคะเห็นแล้วได้ยินแล้วค่ะพระอาจารย์พอดียมเมื่อกี้นิยมหิวค่ะหิว <laughs> <น> แล้วก็ทายินที่นเพึ่งตอนเช้านี่นะค่ะพระอาจารย์ยมจะไปทำชาเขียวกับทอผัดไทยเขียวน่ะครานี่าหน้าเดียเกียวขอโทษุกาแล้วยมไม่รู้ทำอีท่าไหนทำซอสแตกอะค่ะพระอาจารย์คนนี้มันเลยเหนียวไปทั่วทั่วบ้านเลยอาจารย์ก็เนี่ยเพลสเซตใช่ค่ะคือพัดจริงๆแล้วยม แค่หันไปเอาไข่มันจะมาตอกแล้วไม่รู้ทําอีท่าไหนอะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยยมก็เลยไม่ได้เข้ามาตอนแรกเพราะหมจะดจากแชทกลัวค่าา uh, <okay. S 2> ะพระอาจารย์กับนวัต ก, กรรพระอาจารย์นะคะยังไว่ได้นวัต ก, กรรวันนี้มีอะไรนะยงก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็พยายามทําเช้าเย็นเช้าเย็นก็อย่างที่พระอาจารย์พูดกับจิ๊บเมื่อกี้นี้ยค่ะว่าตอนเช้าก็ปฏิบัติได้ดีค่ะแต่ว่าพอตอนเย็นแล้วก็ฟุ้งซ่านทั้งวัน มีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องบางทีก็ เ, เรื่องอางานบ้างเหมือนกับมีคนเข้ามาขอนั่นขอนี่ในเรื่องเกี่ยวกับงานเราก็แอ บ, บหงุดหงิดนะคะพระอาจารย์มันก็หงุดหงิดไปถึงการเดินนั่งสมาธิก็แอ บ, บหงุดหงิดไปถึงตรงนั้นบางทีก็เรื่องขับ ง, งบ้างเรื่องลูกตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาก็ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ตอนนี้เขาเา<ม>ไปหาหมอที่โดมินิกันวิพัฒน์รอ่ะค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นเหมือนกับพอได้เจอแสงได้เจอครอบครัวได้เจอได้ออกไปข้างนอก อ, อะค่ะอาจาราย์ยได้เจ อ, อเดีขึ้นค่ะแต่ว่าพอนิยมก็ยังห่วงอยู่เพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆแล้วกลางคืนเดี๋ยวอีกหน่อยสี่โมงครึ่งท้องฟ้าก็มืดแล้วนยมกลัวว่าเดี๋ยวเขากลับมาแล้วเขาก็จะหนาวแล้วก็จะมืดแล้วไม่ได้ทําอะไรแล้วโรงเรียนก็ไม่ยังยังไม่มีท่าเธอท่าทีว่าจะเปิดเลยค่ะก็ ยงก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่โยงก็บอกเขาว่าโยมจะไปเยี่ยมเขาค่ะ uh, <okay. S 2> ยงก็หัรอช่วงวีกเเทนอยู่ยงก็ uh, กลัวเขาจะคิดว่าอยู่คนเดียวตรงนั้นแล้วไม่มีแม่ไม่สนใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ uh, เขา้าดูท่าทางดีขึ้นนะคะแต่ก็พยายามให้ใจเขาสบายอะค่ะพระอาจารย์อ uh, ด, ดูกันไนไนะค่ะยมก็คิดอยู่อะค่ะพระอาจารย์ว่า ทุกคนทุกวันก็จะมีแต่เรื่องเข้ามาในใจอย่างโยมเนี่ยอยากใจอยากจะปฏิบัติคิดแล้วคิดอีกว่าหชาตินี้เกิดมาได้มาเจอพุทธศาสนาได้เข้ามาเข้าใจกว่าจะมาเข้าใจก็ใช้เวลาครึ่งชีวิตกว่าจะมาเข้าใจว่าพุทธศาสนาคืออะไรแล้วพอ<ม>ใจอยากปฏิบัติก็ดันมีเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้เข้ามาทําให้รู้สึกว่าเราปฏิบัติได้ไม่เต็มที่อะค่ะพระอาจารย์โยมก็แอบแอบเสียใจอะค่ะพระอาจารย์ แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ทิ้งทางโลกไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็ทําเท่าที่เราทําไปได้ก่อนรนะอย่าไปอยากเกินเกินกําลังว่ามันจะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆค่ะพระอาจารย์อาจก็โยมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็รอจนถึงเวลาของโยมนะคะพระอาจารย์อาจจ ะ, <น>ะตอนนี้อยู่อะไรย่างนี้อ่ะเดี๋ยววันดีคคนดีมันก็โอกาสมันก็ผลขึ้นมาเองโยมรออยู่ค่ะอาจารย์บางทีตรงแป๊ดเดียวเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้น่าจะเดินได้อีก อีกมากกว่านี้อีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยบางที mm hmm. นั่งสมาด์นั่งเราหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาอู้ทําไมเราเจ็บจําเราปวดจําไม่ทําไมวิเราหลับแล้วลองเราหลับหรอทําไมเรารู้สึกว่าเราไม่หลับนะแต่เราเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยมันเป็นได้ไป mm hmm. ได้ยังไง mm hmm. ค่ะก็แต่ยงก็จะตั้งใจหลับไปเรื่อยๆค <Okay. Yeah. S 2> ่ะพระอาจารย์โอเคคับฟังไปเรื่อยๆก่อนกน็แล้วกันนะถ้ามีอะไรอยากจะถามค่อยค่อยถามทีหลังนะค่ะพระอาจารย์กรร mm hmm. มวัฒสการค่ะ ไปฮะที่คุณซาสวิมลคุณซาสวิมลอ่าค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนจ้าหนูอยู่ปฐมธานีค่ะพระอาจารย์อ่าค่ะก็ถามเรื่องการปฏิบัติค่ะพอดีหนูห่างหายจากการปฏิบัติแล้วพอกลับมาปฏิบัติอย่างนี้ก็ปก็จะสงกช้าพระอาจารย์คือ ถ้าเราจะปฏิบัติให้แบบเซตตัวใหม่อย่างเงี้ยนะคือจะต้องวางใจยังไงล่ะคะค็อเราพออยายามมันฝึกสติอยู่เ<ฆ>รืร่อยๆค่ะพุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดก่อนที่เราจะมานั่งนะค่ะไม่ใช่พอมานั่งปุ๊บแล้วจะคิดว่าจะให้มันสงบเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้เพราะสติท<ฆ>ี<ฆ>นะ่เราถึได้ปหมดแล้วเต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ค่ะพุทโธพุทโธไป ไม่ว่าจะทำอะไรก็มันท่องพุทโธพุทโธไปก่อนค่ะพระอาจารย์แล้วหนูใช้วิธีหนูหนูใช้วิธีพุทโธค่ะพระอาจารย์ก็นั่งได้เรื่อยๆค่แต่ว่าเดิมนี้นั่งนั่งได้น้อยลงก็รู้สึกว่าแบบติดใจมันสงบช้าแล้วแบบมันทํางานทําอะไรวุ่นวายใจไปหมดเลยอค่ะพระอาจารย์ก็ต้องใช้พุโทโธหยุดนัน มันมรุ่ลเราเยฟท่อุโุโไปค่ะแล้วบางทีหนูฟุตโแล้วแบบมันเหมือนมันมันเพ่งขาวมันก็จะแบบปวดตรงนี้หน่อยอยเหมือนเราอยากจะสงบมากค่ะอาจารย์ความอยากมันก็ทาให้เราเครียดได้อย่าไปอยากยิ่งุตท่งฟุตโทฟุตโทไปเรื่อยๆอย่าสงบไม่สงบก็ช่างมันค่ะค่ะค่ะอาจารย์ค่ ะ, คะออโอเคมีท่านนี้นะ ม, มีอีกนิดหน่อยค่ะคือในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันแล้วหนูก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่แบบเป็นนักศึกษาอยู่ในเรื่องของการเมืองคเราควรจะวางใจ ย, ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็สนใจในเรื่องการปฏิบัติแล้วบวกกับว่าเราอยู่ในแบบการเมืองด้วยคะ่ะพระอาจารย์ทำให้เราเครียดนะคะเราไม่รู้ว่าแบบ<า>เราจะนนวางใจยังไง ต, ตอนนี้เราทําหน้าที่ของเราไปก่อนเราเป็นนักเรียนเราเป็นนี่กว่า ยังไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเอาไปต่อต้านหรือไปทําอะไรนะคนั้นตอนนี้เรายังอยู่กั้นเรียนอยู่กั้นเรียนไปให้จบก่อนใช่ปะก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โอเคนะไงั้นเดี๋ยวเสียการเรื่องที่เราทาไปทำมาเสียการเรียนได้เกิดไปแบบนี้เกิดตัวขึ้นมาจะลําบากต่อไปได้ค่ะน่นก็ ต้องระมัดระวังนะทุกคนก็รักบ้านเหมืองท่านอ่ะที่การรักบ้านเมืองไม่หนหมาเราเราจะต้องออกไปอยู่กลางถนนการทําหน้าที่ของเราเป็นเป็นประชาชนที่ที่ตั้งอยู่ในความสงบก็ถือว่าเรารักบ้านเมืองเราแล้วทำหน้าที่ของเราเป็นนักเรียนก็เรียนไปน ะ, ะ, อะโอเคน ะ, อะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์สุภาจาร์เพิ่งเข้ามาเลยการนมัสการเจ้าค่ะค่ะเพิ่งเข้ามาเพิ่งทำธุราเสร็จเจ้าค่ะอย่างยิ้มอยู่เปล่ายังยิ้ไม่แฟร์ยู่เปล่ายังยิ้มอยู่ค่ะ <laughs> แต่ว่าช่วงนี้ก็บางทีก็ลืมตัว <laughs> <laughs> ล, ลืมตัวซะส่วนใหญ่ <laughs> แล<ส><ง>้วค่ะเวลาเจอคนต้องต้องต้องใช้เม่ตาอย่าใช้อุเบกขาเจ้าค่ะขนาดอยู่กันแค่สองคนยังยัง<ม>รู้สึกว่าเอบางทีเรายังแบบยังไม่ค่อยสบายใจบางทียังต้องแบบมีอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะยังคิดอถ้าอยู่กันเยอะกว่า น, นี้ก็คงจะคงจะพอ <มา S 2> ควรวใช่เจ้ า, าค่ะเจ้าค่ะพอดีลูกมีคำถามนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา อ่ไม่ค่อยสบายใจอยู่เรื่องหนึ่งคือคือสามีนะคะเขาก็ศึกษาว่าที่โรงรถนะคะมีมีหนูมีหนูมีหนูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกจะทำยังไงดีก็ก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้คือเราไม่อยากฆ่าฆ่าสัตว์คือคือพอเราปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติด้วยนะคะเขาก็พยายามไม่ฆ่าสาัตว์แมลงวันก็ไม่ตีไม่ไม่ทาอะไระคะ่ะเราก็เลยบอกว่าเอางี้อย่าอย่าอย่าอ่าอย่าใช้ยา ถ้าถ้าอยากจะลองลองเอาเป็นกับดักแล้วเราเอาไปปล่อยนะคะกับจับได้แล้วเราก็เอาไปปล่อยเอาเขาไปปล่อยนะคะแล้วก็เขาก็ไปซื้อซื้อคล้ายๆแบบที่เสียบแล้วเป็นเป็นคลื่นนะคะคลื่นที่ลบกวนเสียงนะคะไม่ให้หนูเข้ามาค่ะแล้วเขาก็คอยเช็คตลอดเช็คประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เห็นมีหนูมาติดกับนะคะก็เขาก็เช็คถี่นะคะ ทีนี้ก็เลยคิดว่าไอ้เครื่องเสียงเนี่ยมันอาจจะทำให้คลื่นความถี่นี่อาจจะทาให้หนูไม่เข้ามานะคะแล้วพ อ, อมีอยู่เราก็เลยไม่ได้เช็คนะคะแล้วทีนี้ทีนี้พอกลับไปเช็คอีกทีหนึง่งสรุปคือมีหนูเข้าไปตายอยู่ในกับดักสองตัวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เราก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกแย่ค่ะว่าแบบคือคือเราไม่ได้เจตนาที่จะ เราไปเช็คทีแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีหนูเข้ามาอีกแล้ว่เจ้าค่ะก็เลยแบบเขาก็บอกว่าขอโทษเขาเขาก็มาบอกว่าขอโทษนะพอดีไปเห็นมีหนูตายอยู่สองตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ<อ>้าเป็นกรรมของเขาไปเขาแล้วแต่เป็นกรรมของเขาไปเ้าดิน้นรนเขามาหาหาหาความตายแล้วไม่ได้ไปทําอะไรเับ แล้ว <med> ค่ะเจตนาคือตั้งใจจะก็คือเช็คแล้วก็อยากจะไปปล่อยอะเขาค่ะไม่คิดว่าเอามีหลงเข้ามาอีกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือพยายามเตือนเขาว่าให้เช็คถี่ขึ้นตอนเช้าค้างตอนเย็นครั้งก่อนนอนก็นเช็คอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ <med> ไม่อยากให้มีหลงอีกอะเจ้าค่ะรู้สึกแบบทํา ไ, ไมมันตายเร็วเหลือเกินอ่ะมันคือ <med> คือรู้สึกเขาไม่ได้ไปตอนนั้นคือเรามั่นใจว่าไอ้ไอ้ขึ้นความถี่เนี่ยคงค ง, คงจากัดหนูอะคงไม่ให้หนูมาแล้วนะเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้ไปเช็คประมาณสามสี่วันนะคะเจ้าค่ะก็เลยพอไปพอไปดูอีกทีหนึง่งเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกเอ้าสรุปคือมันมีหนูหนูเข้ามาสองตัวตายอยู่อะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็ะะเลยอ้าวางดักไว้คนจะเช็คทุกวันเช็คตอนเช้าทุกวันค่ะ ตอนนี้ก็พยาพยามแล<ม>้วค่ะพยายามเจ้าค่ะก็เช็คตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะเจ้าค่ะจะพยายามไม่ให้พลาดก็เลยคิดว่าโอยเราถือขนาดเราพยายามถือศีลห้าเนี่ย ย, ยังยังยังขาดความรอบคอบก็เลยคิดว่าเป็นบทเรียนและกันจะพยายามรอบคอบให้มากขึ้นเจ้าค่ะมันก็ไม่มันก็ไม่บาปแล้วเพราะมันไม่ได้ไปความผิดของเรามันไม่ได้ไปฆ้ามันไปทำอะไรมันมันเข้าเข้ามาหาที่ตายของมันเอ อาสาธุเจ้าค่เนี่าทำให้รู้ไม่สบายใจมาอาทิตย์หนึ่งแต่นึกถึงแล้วก็สงสารเจ้าค่ะบอกสงสารชีวิตทุกคนใช่ เ, เจ้าค่ะอก็ออลเลยพอจะนั่งสมาธิก็มาแบบนึกถึงโอ้ตายแล้วถ้าเป็นเราเราจะทํำยังไงนี่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็พยายามคิดว่าเราก็ถือเป็นบทเรียนผ่านมาแล้วก็ก็พยายามทําข้างหน้าให้ดีที่สุดเจ้าค่ะพยายามจะรอบครอบกว่านี้ ชีวิตคือการเรียนรู้น่ปิดผ้าตรงไหนก็แค่ไขไปเอามาสอนเราเจ้าค่ะ ม, มีอะไรถาไรไมไหมวันนี้ไม่ไม่มีเจ้าค่ะก็ยังฝึกเหมือนเดิมเจ้าค่ะพยายามฝึกสติแล้วก็วันนั้นไปทำฟันแล้วก็ ก็คือจริงๆเป็นคนกลัวการทำฟันแต่ก็สวดมนต์ไปแล้วค่ะจนพยาบาลเขาบอกว่าเออทำไมคุณไม่แบบคุณไม่รู้สึกอะไรเลยก็ผมไม่รู้สึกอย่างเดียวสวดมนต์อย่างเดียวสวดอิติอย่างเดียวช่วยได้ช่วยได้เจ้าค่ะจนเจนบอกเขาเลยว่ารู้สึกเหมือนอยู่ในสปาเลยแบบมีความสุขมากสวดอย่างเดียวเจ้าค่ะก็เลยเห็นประโยชน์แล้วก็เห็นคุณค่าอันวิเศษตรงนี้เลยเจ้าค่ะ สติเนี่ยเป็นคำ ว, วิเศษสำหรับใจเรารักษาใจเราให้สบเด้๋ค่ะฝึกสติฝึกสมาธิสวดมนต์เจ้าค่ะแล้วก็พยายามละค่ะเห็นไปละก็ละละไปเจ้าค่ ะ, ะทางนี้ถูกต้องนะสติกับปัญญาทั้งอย่างนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณเจ้าค่ะขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณเจเคคุณเจเค เปิดไมค์ได้แล้วคุณเจคีมีอะไรจะพูดก็แชร์พูดได้เลยยังไม่ได้เปิดไมค์คุณเจคีอ๋เปิดแล้วไม่ได้ยินพูดดังๆหน่อยได้มั้ยเสียงค่อยไปหน่อยอ๋อค่ะพอดีเป็นบลูทูธค่ะอ๋ออ๋อโอเคก็ก็วันนี้ไม่มีอะไรถามก็ฟังพู้อาจารย์ ีอ อ, อยู่ที่ขอนแก่นค่ะขอนแก่นนะโอเคแต่จริงๆอยู่ที่เชียงรายพอดีมามาหาเพื่อนที่ขอนแก่นค่ะโ okay. อเคยังก็ฟังไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยววันไหนมีคําถามค่อยเรียนถามผู้อาจารย์ค่ะรับสารโท ร, ร, ร, รไปที่ท่านต่อไปคุณแก๊สรุ่นโน้ตสิบคุณแก๊สรุ่โน้ตสิบเปิดไมคได้เชิญ อยู่ที่ไหนพูดได้เลยได้ยินเสียงไหมธรรมสถานครับผมใช่ไหมครับเป่นเข้ามาครั้งแรกครับอาจารย์ครับยังไม่มีคำถามครับมามารับฟังอยู่ที่ไหนอยู่ที่นรับุรีอยู่ที่นนทบุรีครับอาจารย์ครับนนทบุรีนะครับผมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเป็นสมาชิก ครับสาธุครับฟังแล้วกันมาเลยนครับเคยไปที่เคไปที่เขาหลายปีแล้วครับส่วนใหญ่ก็ฟังทาง YouTube ตาวหลังครับอาจารย์ครับครับผมครับผมสาธุสาธุมีใครเข้ามาใหม่ไหมเอ่อมีคุณวอลวอรัตน์นะคุณวอลรัตน์ครับอยู่ที่ไหนรัศการครับอยู่กรุงเทพครับ เข้ามาครับต่อครับแต่เรียนสอบถามอาจารย์ครับอ่าในฐานะนั่งนั่งสมาธิเนี่ยคําว่าเห็นจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเนี่ยคําว่าเรามองเห็นจิตที่ดับแปลว่าอะไรครับอาจารย์ก็ความจริงเกิดแล้ไม่ดับหรอกไอ้ที่เกิดดับเกิดดับก็คืออาการที่มีในจิต เหมืนเหมือนโทรทัศน์เนี่ยเราทรทัศน์เราไม่หายไปไหนแต่ภาพมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ด้วย้จิตก็เป็นเหมือนจอทรทัศน์เนี่ยตรงจอมันไม่หายไปไหนนะมันไม่ดับแต่ที่ที่ภาพหน้าจอเนี่ยมันมันดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคืออารมณ์ต่างๆนี่มีในจิตเราเนี่ยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็วิตกเดี๋ยวก็หวาดกลัวหรือมิน มีภาพมีเสียงอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปเกันดับเกันดับครับอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปสนใจมันพิจารณาเป็นใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาครับถ้าปล่อยวางมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไปกลัวมันก็ทุกข์ไปชอบมันก็ทุกข์ชอบมันเวลามันไม่มาก็ทุกข์เพราะเวลาชอบก็อยากให้มันมามันไม่มาก็ทุกข์ กลัวมันเวลามันมาก็กทุกข์ผ่อนใจเฉยๆนะเหมือนดูหนังดูหนังในในทีวีมันก็มีหลายรสชาติบางทีก็เป็นหนังผีบางทีก็เป็นหนังอหนังน่ารักรหน้าอะไรไปมันก็เปลี่ยนไปตามตามตามเรื่องของมันให้รู้ทันแล้วก็รู้เฉยๆได้เลยทําใจให้สงบกลับมาดูลมหรือพูดโธ้พูดโธก็ได้ับ อย่าไปตามอย่าไปสนใจอืมครับแล้วใจเราเพื่อจะเบาเย็นสบายนะครับสาธุครับเี่นี้นะครับผมโอเคมีคนเดยวมาระเดียวเียวมาจากสเปนอับบีซาเปนยังไงมาสิกานสุขภาพของพอหายดีแล้วเหรอ เจ้าค่ะดีข evet, okay. ึ้นเจ้าค่ะดีขึ้นดีขึ้นเจ้าค่ะฟังแต่ต้นเราจะค่ะไปนั่งฟังอยู่ที่โรงเรียนน้องริวแล้วก็ให้กลับมาถึงบ้านก่อนเราค่อยเปิดเจ้าค่ะเจ้าค่ะเาพยายามรักษาใจไว้นะทําใจให้นื่องให้สงบเจ้าค่ะหลวงพ่ออย่าไกลัวอย่าไปอะไรไม่มีอะไรทับใจเราได้นอกจากตัวเราเองไปทํำอะไร เจ้าค่ะหลวงพ่อใช่พุทโธมิติรักษาใจพุทโธพุทโธเวลาไม่สบายใจก็ท่องพุทโธพุทโธไปปองนี้จำไปด้กระปองไปจสจำจนแล้วก็ดับดาบทุกเจ้าค่ะเราไม่กลัวร่างกายไม่ใช่ตัวของเรามันต้องดับมันในวันหนึ่งทุกคนก็ปล่อยมันดับไป ใ, ใจเราไม่มีวันตายไม่ต้องไปตกใจนะสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเ<ช>จ้าค่ะอ่าอ่าน้องริวรู้สึกว่าจะกรรมฐานเขาน้อยลงหลวงพ่อให้สติหลานชายนะเจ้าค่ะก็มีเวลาก็ทำพุทโธไปหรือนั่งสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปบ้างอย่าเล่นเกมมากเกินไป มีเวลาว่างแทนที่จะดูหนังฟังเพลงแล้วเล่นเกมก็เราแบ่งเวลามาสักครึ่งชั่วโมงมานั่งสมาธินั่งสวดมนนั่งพุโทโธพุโทโธไปใจจะได้มีสติใจจะได้เบาจะได้เย็นสบายเล่นเกมไปดูหนังฟังเพลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใจก็ฟุ่งซ่านอ๋อ กวจะแบ่งเวลามาเวลาท่านจะไปเล่นเกมก็เล่นได้แต่แบ่งเป็นคนละขึ้นบอกเขาเครื่องหนึ่งมาให้กับการ น, นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างพยายามทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่ทำนะต้องพยายามบังคับตัวราเอยครับอโอเคของดีมืกก่อนเขาทาเมื่อก่อนเขาทำเยอะกว่านี้ค่ะแต่ตช่วงนี้ อรู้สึกว่าเหมือนเขาทําน้อยลงคุณแม่ก็ก็ดูดเขาเจ้าค่ะเมื่อคืนก็ก็ดูดเขาเหมือนกันก็บอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ทํำก็ก็ช่วยไม่ได้นะบอกอย่าไปเทีย่ยวกับเขาอย่าไปบีบคั้นเขาหรือ เ, เขาจะโกรธเราอีกระคุณพ่อค่ะผมมีห น, น, น้าที่ส อ, อนบอกก็บอกไปถอยก็มีหน้าที่ทำํำก็จะทําไม่ทําก็เป็นเรื่องของเขาเจ้าค่ะ ค่ะยังไงก็ต้องรักษาต้องรักษาสัมพันธ์ทำไม่ดีที่ดีกันว่าอย่าโกรธกันอย่าเกลดกันนะแล้วก็ทำแล้วไม่ทำแล้วก็ทําให้เราโกรธก็ได้ค่ะก็บางทีต้องเตือนเขาเพราะว่าอยู่ที่นี่เราช่วงนี้เรากลับเมืองไทยไม่ได้เราวเขาเหมือนเหมือนห่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เวลากลับเมืองไทยเขาก็เขาก็เหมือนเหมือนได้ไปเติมพลังอะไรกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาก็ทําทุกวันแต่แต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊เหมือนเขาทําน้อยกว่าเขาก็จะเขาก็จะสวดมนต์ปฏิบัติของเขาทุกวันแต่ว่าเรารู้สึกว่าอ่าเขานั่งสมาธิน้อยลงนะเหมือนแบบแม่เห็นว่าเอยลูกทําน้อยลงก็ก็จะเตือนเตือนเขาว่าอย่าอย่าขาดนะลูกอะไรนี้นะค่ะอก็เตือนได้แต่ก็อย่าทำไม่ทำก็ก็อย่าไปบีบบังคับเขาเลยนะจุกค่ะจกค่ะ ไม่มจะถามเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตัวเองก็ก็ปฏิบัติแล้วก็ฟังคือฟังหลวงพ่อตลอดแล้วก็หลังจะออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยก็ก็ก็ปฏิบัติเยอะก็ก็จะลุกขึ้นมาตีสี่ก็จะลุกขึ้นมาเริ่มปฏิบัติแล้วแล้วก็บางทีก็จะย้อนฟังเทศหลวงพ่อค่ะ ก็จะฟังซ้ําไปซ้ำมาฟังฟังตลอดอ่ะไม่ไม่ฟังฟังตลอดนะคะฟังซ้ําไปซ้ำมาเรืเ<ล>อ่อยดีจะได้มีธรรมะเตืตนอนใจสานใจเนยให้ปล่อยวางอ๋อค่ะโอเคสาธุสาธุครับอาจารย์ท่านอาทิตย์หนา้อ า, น า, อ า, นาอาจจะคุยกันใหม่นะสาธุสาธสาธุจ้ะท่า มคมีมีคนปฐมรัฐนะฮะสาธุค่ะพ ร, ระอ า, าจารย์คะน้มักการค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์คือ <ขา S 1> พอดีค่ะพอดีมีเพื่อนปัจจัเล่าให้เพื่อนฟังแล้วพอดีเพื่อนแนะนําก่อนที่จะมาฟังธรรมจากพระอาจารย์นะคะที่ทําให้ได้มีโอกาสไปที่อ่าที่วัดนะคะ ทีนี้เพื่อนที่ปฏิบัติทำด้วยกันท่านนี้ค่ะท่านก็ปฏิบัติมาก่อนหน้านานมากแล้วนะคะเลยฝากฝากมาถามพระอาจารย์นะคะว่าถ้าเจอผู้รู้แล้วเนี่ยค่ะโอกาสที่จะสิสงสาวดานี้อีกไกลไหยคะพระอาจารย์คือเขาว่าเจอผู้รู้นี่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเจอแบบไหนมันต้องเจอแบบเข้าสมาธิจิตรวมเป็นอัากปัาสมาธิ<อ> ถ้าเจอผู้รู้เพราเราคิดว่าเราเจอผู้รู้นี่มันก็เป็นเพียงแต่ความคิดนั่นเองเพร า, าะแตแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าว่าอันนั้นคือผู้รู้จริงๆอะค่ะอ๋อก็ทุกอย่างมันหายไปหมดไงเหลือแต่ผู้รู้ตัวเดีย ว, วเวลาเจ็ดรวมสะบอมันก็ทุกอย่างจะหายไปหมดร่างกายหายไปรูปเสียงกลิ่นรสหายไ ป, ยไ ป, ปยก็หปเหลือผู้รู้เท่านั้นเพราะแตค่ะแล้วถ้า ถ้าเกิดว่าเหลือผู้รู้อย่างนั้นจริงๆะค่ะพระอาจารย์ทางที่จะไปโสดาบันเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงต่อไปคะพระอาจารย์ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหลือผู้รู้ต้อมีอยู่เบิกขาหรือเปล่าเปิกขาใจนิ่งเฉยหรือเปล่าไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงหรือเปล่าต้องต้องมีตรงนี้ถ้ามีตัวนี้ยังก็ยังไม่เป็นโสดาบันเหนะุัดต้องมีตัวนี้เพื่อไปใช้ ไต่อสู้กับกิเลสต่อไปละหมองออทงงรรางด้นปัญญาเราไปพิจารณาร่างกายมาไม่ใช่ตัวเราของเรารต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่าลอันนี้ปัญาใกล้เป็นโสดาบันได้ปล่อยวงร่างกายให้ได้รบพอะ มันจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เหนือดรอนมันจะตายก็ไม่เหนือดร้อนพระอาจารย์ค่ะแต่แล้วก็ขออีกคําถามนคะคะอาจารย์อันนี้เป็นของตัวเองนะคะพะอาจารย์ก็คือปฏิบัติมาได้สักประมาณปีหนึงแล้วอะคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนแบบประเมินตัวเองอะนะคะก็คิดว่าน่าจะติดปั้งมั่นเนี่ยก็น่าจะนับว่า ว่าน่าจะมีสติตั้งมั่นแล้วอะค่ะพระอาจารย์แต่ทีเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าคือส่วนใหญ่เวลาเข้าเนี่ยที่ที่ที่เข้าแต่ว่าสติตั้งมั่นคือเราจะรู้สึกว่าเรานิ่งสงบแล้วก็ด้วยทั่วๆไปเนี้ยความอุเบกขาหรือความวางเฉยความทนต่อนิวรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่คือต่อสู้พวกนิวรนได้คิดว่าก็เริ่มทำได้อยู่อค่ะพระอาจารย์อันเนี้ย จะถือว่าเราถึงขั้นไหนพระพาจามันจะเป็นขั้นฝึกสมาธิอยู่ต้องทํำบ่อยๆทำให้มากๆให้มันมาจะมีได้ทั้งวันทั้งคืนเวลาเจอรูปเสียงกษษษษษษษีดแล้วเจออะไรก็เฉยไม่พูดว่าไม่เกิดอารมณ์ม ค, คนมาคนมาล่าให้ฟังว่าตอนนี้ดูติดตามข่าวการเมืองรับเครียดยเี้แสดงว่าไม่มีรูเบงขาบก็ใช้ษษนนไปอยู่แล้วก็ผ่านไปค่ะ ค่ะอันนี้พอได้บ้างแล้วค่ะพระอาจารย์ค่อนข้างได้อยู่บ้างแล้วแต่ว่าอีกอันหนึงค่ะพระอาจารย์คือมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ด้วยค่ะปีนี้นอกในสมองแต่ว่าก็คือแบบเราก็ตัดสินใจแล้วไม่ผ่าตัดแล้วก็ถูกพิสูแล้วว่า MRI หลายผลแล้วเป็นแบบชนิดตช้านะคะคือหมอก็เลยยอมว่ายังไม่ผ่านอกจากว่าเขาจะไปกดประสาทาแล้วเราก็ค่อยคุยกันอีกทีว่าจะผ่าไหมทีนี้มันก็จะมีปวดหัวเป็นระยะค่ะพระอาจารย์ ตอนนี้ก็คือพอเราทำไปสักหนึ่เราก็ไม่กลัวเรื่องโรคภัยแล้วแล้วก็ยังคิดเลยว่าเออตายก็ตายเป็นอะไรเมื่อไหร่ก็คือเราก็อยู่กับสิ่งนั้น <c oughs> และก็บางครั้งเนี่ยค่ะเรื่องการเจ็บปวดการอะไรเนี่ยค่ะพอจะมีอาการอะไรต่างๆปวดหัวหรือรอะไงเนี้ย <c oughs> ก็เราก็ค่อยตั้งสติมั่นมีสติกําหนดลมหายใจมันก็มันก็น้อยลงแล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้ทุกข์ ไม่รู้ว่ามันหายปวดหรือเปล่านะคะมันก็ยังมีปวดอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทุกข์หรือมันไม่ได้ไม่ได้เจ็บปวดเท่าที่เคยเป็นนะคะทีนี้มีวันหนึ่งเนี้ยเออมันปวดมากเลยทั้งทที่หายไปแบบเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปีแล้วนะคะแต่บังเอิญมีช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเยอะว่าเรามีปัญหาเรื่องโดยสัรเนี่ยกำลังประสบภาวะลำบากอยู่ทีนี้เออจะถามอ่ารว่า การเจ็บปวดมากๆนกเค่ะพระาจากการกาหนดของเราเนี่ยมันสามารถที่จะระงับความปวดที่มากๆได้ไหมคะพระอาจารย์คือความปวดทางร่างกายเราไปบังคับมันไม่ได้นะแต่เราระงับความปวดทางใจไนดะ้ถ้าเรามีสติใจเราก็จะเฉยเไม่ปวดไปกับความปวดของร่างกายไนดะ้ความปวดของร่างกายอาจจะลดน้อยลงอาจจะไม่ลดน้อยลงก็ได้ไม่แน่คครับรับ มันก็จะทุกข์ไมลงเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่ความปวดของร่างกายเป้าหมายของเราอยู่ที่ความปวดของใจที่เกิดจากกิเลสความอยากเราต้องอยุดความอยากโดยการใช้สติพุทโธพุทโธไปพอเราไม่ไปคิดถึงมันไม่มีความอยากให้ความปวดทางร่างกายหายไปความปวดทางใจก็สงบก็หายไปเราก็จะอยู่กับความปวดทางใจทางทางร่างกายได้ไม่เดือดร้อน ใช่ค่ะแสงพงมีภาตรงนีเพ่านี้คพรอาจารย์กรามของลูกคุณค่ะตัดได้ค่คุณใายกตอนนี้มีหนูหนูอยู่สองสามคนคุณบายกเชิญอยู่ที่ไหนอันนี้ไไมโครโฟนก่อนอ่าเด็กเก่งกว่าแม่เนี่ยได้แล้วพูดได้แล้วกรับนมาสการค่ะพระอานารย์อยู่ที่ไหน ในไหนคะลูกอยู่บ้านคุณอยู่บ้านที่ไหนลูกของคท่าพาร์รสี่ค่กรุงเทพอ่าทกรุงเทพนจังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับกรุงเทพนะอ่าอายแล้วเก้าเก้าครับจะสินา้น้องหรือพี่วันนี้นี่เป็นน้องน้องลักสุดครับน้องที่สุด ขข okay. เข้อเจ็ดขวบโอเคยังไงมีคําถามเราอยากจะถามไหมอราก็คือว่าผมอยากจะบวชแต่แต่ว่าก็คือก็อยากเล่นเกมครจะทํำลองรับยังไงดีครับอยากจะบวชจะอยากเล่นเกมด้วยนะจะรองรับยังไงครับเราก็ต้องเลือกเราอย่างใดอย่างหนึ่งเราทั้งสองอย่างไม่ได้ถ้ <c oughs> าบวก็เล่นเกมไม่ได้ถ้าเล่นเกมก็บวชไม่ได้ ถ้าไม่เล่นเกมจะระงับยังไงคะเออมันไม่มให้เล่นมันก็ไม่ต้องระงับแบบไปอยู่กับเวลาไปบวชในวัดไม่มีเกมให้เล่นก็มีเกมอย่างอื่นให้เล่นค่ะไปสวดมนต์สวดมนต์ก็เป็นเกมอย่างหนึ่งนะไปเล่นเกมสวดมนต์กันเวลาอยู่ในวัดเขาก็มีเกมใว้เราเล่นเกมสวดมนต์เกมบินทบาตเนี่ยเกมกวาดกาดลานวัดเนี่ยก็เป็นเกมเหมือนกันใช่ไหมมีเกมให้เล่นเยอะแยะไปหมดไม่ต้องกลัวเวลามาบวช อา <c oughs> จารย์ไหม <c oughs> เกมไหมอะนะตอนที่วัดเขาก<ข>็ามเกมให้เล่นแต่ไม่ไม่เหมือนของของหนูเกมของหนูเล่นในเครื่องแต่เกมของของวัดนี่เล่นในวัดเลยไปเดินบินบาทนี่ก็เป็นเกมอย่างหนึ่งนะเดินบาทอุ้มบาทไปเปิดฟ้าบาทให้ญาติโยมใส่บาทกลับมาวัดก็มา มาขวาถูสาราก็เป็นเกมอย่างนึงตอนเย็นก็ไปสวนมอญไหว้พระ ก, ก็เป็นเกมอีกอย่างมีเกมเยอะแยะให้เล่นไม่ต้องโกงเองแต่มันไม่เหมือนกับเกมที่หนูเล่นเท่านั้นเองผมเคยบวชที่สองครังแล้วเนาะคุณเคยเล่นเคยบวชมาแล้วเหรอต้องเปลี่ยนเกมนั่นเองเอาเกมของหนูมาเล่นไม่ได้เกมของหนูต้องเก็บไว้เล่นที่บ้านเวลามาที่วัดต้องมาเล่นเกมของวัด ท่านอาจารย์คะยมขออนุญาตค่ะลูกชายอ่ะจริงๆเป็นปกติเป็นเด็กน่ารักนั่งนั่งสมาธิได้ด้วยค่ะแต่ช่วงหลังที่มีโควิดนะคะแล้วมีการเรียนออนไลน์ทำให้ลูกชายติดอ่าแท็บเล็ตทำให้เขากลายเป็นเด็กอ่า ถ้าเหมือนกับว่าไปพอโรงเรียนเปิดเทอมมาเพื่อนๆก็เล่นเกมด้วยแล้วพอไปโรงเรียนโยมก็ไม่ได้ให้เขาเล่นใช่ไหมคะแล้วเขากลับมาบ้านเขาก็เหมือนกับมีข้อเหมือนกับข้อโต้แย้งกับโยมว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนเล่นเกมกันแล้วเขาคุยรู้เรื่องหมดมีผมคนเดียวที่คุยไม่รู้เรื่องผมก็อยากจะข อ, อเล่นเกมโยมไม่รู้จะสอนรู้ยังไงให้ให้เขากลับมานั่งสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์อ ก็เล่นเกมสมาเล่นเกมสมาธิดีกว่านะเล่นเกมสมาธิแล้วมีความสุขใจมีความสงบมีความสบายใจเล่นเกมทางเครื่องแล้วมันทําให้ใจเครียดทำให้ใจอยากอยากยาเป็ญยาเสพติดเป็นยาเสพติดอย่างนั้นเห็นหมผิดจิงไมครับมเล่นเกมสมาธิดีกว่าปล่อยให้เพื่อนเขาเล่นไป เรามีเกมที่ดีกว่าเกมของพระพุทธเจ้านี่ดีเกมนั่งสมาธิเนี่ยนั่งน้อใจสงบใจสบายแน่นพอเปิดเนไลฟกเพื่อนพอผมเปิดในรลย์กลุ่มเพื่อนตุ๊บเกมมาต <laughs> <อ>ื<อ>่นตื่นเมื่อวันเมื่อวันวันเสาร์เมื่อเมื่อวันวันอาทิตย์ตอนเช้าโยมพาเขาไปใส่บาตรพระอาจารย์มาด้วยค่ะ เอที่ตลาดอาปาเลยค่ะก็บางทีก็ลําบากหน่อยนะเพราะเราอยู่ในโลกต้องเกี่ยวข้องกันกับโลกไปโรงเรียนเขาก็มีเรื่องของทางโรงเรียนอะไรต่างๆบางทีก็สอนให้เขาเล่นบ้างก็ได้เพียงแต่ว่าให้รู้จักเวลาเวลากลับบ้านก็เล่นมาเล่นเกมที่บ้านเล่นเกมสวดมนต์นั่งสมาธิเวลาอยู่โรงเรียนก็ปล่อยเขาเล่นเกมแบบเครื่องเข้าไป เราไปขัดกับสั ง, สงคมไม่ได้เราต้องรู้จักเวเป็นจะต้องรู้จักกาลเทศะท่านเองแบบ่งเวลาให้เขาบ้างเอาไปเข้ากลุ่มเพื่อนเขาก็เล่นกันก็ต้องเล่นไปกับเขาใช่ไหมอย่างเดียวข้อกลายเป็นแกะดํำไปเขาบอกโยมสงาสารเขาเขาพูดกับโยมแล้วเขาก็ร้องไห้ว่าเขาคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วเพื่อนก็ไม่เล่นกับเขาเพือ่อนบอกว่ามันเลยด้วยครับเอ่ก็เล่นได้แต่ต้อง รู้จักประมาณนะเวลาถึงเวลาเลิกก็ต้องเลิกไม่ใช่เล่นทั้งวันทั้งคืนนะเวลากลับมาบ้านก็เลิกเล่นกลับมาบ้านกลับมาเล่นเกมที่บ้านนะก็นเล่นเกมกับแม่แม่พานั่งไหว้พระสวดมนต์ประจัยนะเราอยู่ในโลกนี้ทําไงได้ล่ะมันก็เมื่อเราส่งเข้าไปเรียนหนังสือมันก็นกนกนกนกต้องเข้าต้องไปเรียนรู้กับเหตุการณ์ต่างๆ ให้เขาสัมผัสหน้าเพื่อแต่ให้รู้จักประมาณนะั้นแะอย่าให้มันมากเกินไปต้องแบ่งเวลาให้ถูกเวลาเรียนก็ต้องเรียนเวลาเล่นเกมก็เล่นเกมเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระต้องแบ่งเวลาให้เท่าๆกันอย่าให้เสียอย่างใดยอย่างหนึ่งเล่นเกมก็ได้แต่กลับมาบ้านก็ต้องมาเล่นเกมสมาธิเล่นเกมสวดมนต์ อยู่ในห้องเรียนก็ตั้งใจเรียนหนังสือฟังครูฟังครูฟังครูบาอาจารย์สอนอะไรก็ถึงเวลาทำการบ้านก็ต้องทำการบ้านเราต้องรู้จัดแบ่งเวลานะไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวเล่นเกมอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะลำบากเพราะว่าเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้เขีนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกต่าไปเราก็จะยัะยะจะลำบาก นั่นทำได้แต่ต้องให้รู้จักเวลานะรู้จักประมาณนะพอหมดเวลาก็ต้องเลิกพอถึงเวลาทําอย่างอื่นก็ต้องไปทําอย่างนีนะ้ต้องมีวินัยบงังคับตัวเองได้ไหมตอ น, นี้จะเล่นเกมกับเพื่อนพอถึงเวลาเข้าห้องเรียนก็เลิกต้องรีบเข้าห้องเรียนไปเวลากลับบ้านก็ไม่ต้องเล่นเกมกลับบ้านก็มาทําการบ้านมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระ ไม่รูอาจารย์นู่ครับ น, นะโอเคนะถ้าเ น, นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะได้ให้คนอื่นก็พูดต่อมีอะไรไหมแม่มีอะไรจะถามบ <คน S 2> <ะ>้างคถามที่อยากถามนะะอาจารย์คะถามเอเนะงลูกชยายถามาเองามเองแล้วมีคนเยอะนะน ล, ลูกชายครับลูกชายอ่ะ ถามว่าที่วัดพระอาจารย์บวชเนรได้ไหมครับบวชได้แต่ก็มีเวลาต้องตอนช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคมนู่นเพราะว่าจะได้มีมีกลุ่มไงที่วันนี้จะมีเด็กช่วงปิดเทอมมาบวชกันเยอะเพราะช่วงเวลาเรียนก็ก็มาบวชไม่ได้ต้องไปเรียนหนังสือกันเห็นทางวัดนี่ยังมีจัดบวชพระฤดูร้อนช่วงประมาณเดือนมีนาคมเอครับ เราเรียนเร ก, ก็มาบวชได้สิบห้าวันก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้คือที่เป็นกลุ่มก็บวชสิบห้าวันแต่เราจะอยู่ต่อก็ได้ถ้าเรถ้าเราอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้อยู่จนถึงเวลาเปิดเทอมก็ได้ที่วัด น, นี้มันที่วัดนี่ลาบากหน่อยเพราะที่วัดเป็นวัดปฏิบัติอย่าฉันเพเดียวต้องออกวินตา บ, บากทําได้ไหมพี่ชายอีซีิบห้า อีกคนอยากพูดง่ายก็อินซี่หรืออ่าอินซี่หรืลองดูแล้วกินมือเดียวตลอดอ่ากินมือเดียวด้วยนะอ่าแล้วต้องตื่นเช้ามืดมานั่งสมาธิมานั่งสวดมนต์อีกนะอาจารย์คะวันที่สิบสี่สิบสี่พฤศจิกาเนี่ยเขาจะปิดเทอมจนถึงวันที่หนึ่งธันวาคมบวชได้ไหมคะคือไม่มีใครบวชไงช่วงนี้บวชนี่ไม่มีใครบวช บวชแล้วจะไม่มีใครมาดูแลอบรมสั่งสอนแต่ถ้าบวชช่วงภาคฤดูร้อนนี่มันมีกลุ่มแล้วก็มีครูมีอาจารย์มีคนหลายๆลาคนมาช่วยกันดูแลเน่ตพร้อมๆกันมีกิจกรรมได้ทําร่วมกันเราเราไปบวชช่วงช่วงช่วงภาคฤดูร้อนดีกว่าแต่ช่วงนี้ถ้าอยากจะไปบวชที่วัดหนึ่งก็ลองไปติดตอ่อได้ที่วัดที่กรุงเทพก็มีวัดบวร น, นี้เราไปติดตออ่ออดูถามดูก็บวชไม่ วันบอล น, นะคะอยอ ม, มตั้งใจว่าปิดเทอมยอมจะไปอยู่ชลยอมอยากจะไปการาบพระอาจารย์ค่ะอ๋อได้ได ก, ก็ก็มาอยู่มาอยู่ถือศีลอยูแม่ก็ได้ลองถือศีลแปดอยู่ได้มไหมล่ ะ, ะมาอยู่กับแม่ก็เหมือนกับบวชน้ำขาวของเข า, เขาแทนที่จะไปนุ่งเหลืองนะโอเคนะ ขอบคุณธรรมอาจารย์ชาลูค่ะชาลูยันไปที่ท่านต่อไปคุณแพมบรินนะคุณแพมลรินยันปิดไมาก่อน ส, นสนวัสดีจ้าค่ ะ, คะมีโยมมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติมานานแล้วค่ะก็ะคือช่วงก่อนก็คือจะเป็นในลักษณะที่ว่าโยม มีการเข้าิปเกี่ยวข้องในเรื่องของพวกคุณใสมนดำแล้วก็เป็นพวกร่างทรงอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่โยมปฏิบัติกับทางสายหลวงตาโยมไม่รู้ในเรื่องของพวกนี้เลยทีนี้เราเข้าไปด้วยที่ความไม่รู้พอเราไปโดนตรงนั้นมาค่ะกว่าจะรู้ตัวแก้สลิดของโยมตอนนี้ค่ะโยมก็จะหากต่อการสวดมนต์ ห่างต่อการนั่งสมาธิห่างต่อการปฏิบัติแต่ว่าจะพยายามให้ตัวเองอะค่ะเข้าสู่กระแสต ร, ตรงนี้ได้เหมือนเดิมทุกครั้งนะนะตอนนี้ค่ะโยมจะเป็นลักษณะที่พอเริ่มจกมาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิอะค่ะมันจะขั้นเนื้อขั้นตัวจนดีดกระตุกออกจากสมาธิค่ะโยมไม่รู้ว่าจะแก้ตัวนี้ให้กลับไปมี ความสงบแล้วก็ให้เรานั่งได้มีสตินานแค่ไหนคะ่ะแล้วก็ให้อยู่เป็นปกติแต่ตอนนี้อาการโยมดีขึ้นตรงที่ทุกวันพา่าวันโกนโยมจะไม่หงุดหงิดเหมือนทุกทีที่เป็นมาเมื่อในอดีตแล้วะอะค่ะก็ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาให้มากๆพยายามทําพุทธวุพุทธ อ, อยู่ได้เรื่อยทั้งวัน ตึ่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ําสว่วนอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วมีเวลาว่าก็ลองลองนั่งสมาธิดูถ้านั่งไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปก่อนแล้วมีเวลาว่าฟังเทศฟังธรรมบ้างก็ได้ฟังธรรมของหลวงตา ก, ก็ได้นังสื่อธรรมะบ้างก็ได้ะจ ไ, ได้ดึงใจให้กลับเข้ามาทางนี้ แลค่ะแล้วทีนี้พอเวลาอาการที่เรานั่งสมาธิแล้วมันเหมือนจิตมันไปกระชากให้มันกระตุกออกจากสมาธิโยมจะแก้จริตตรงนี้ยังไงได้บ้างนะคะอ๋อก็พุโทโธไปเฉยๆไม่ต้องไปสนใจมันจะ ก, กระชากก็ปล่อยมันกระชากไปแล้วก็พุโทโธเราตอไปท้อพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ใดก็ได้สวดอิติปิโสภะกาวาลางังสมาสามพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดกระชาก ค, ค่ ะ, คะ ไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกมันก็แสดงอาการไปอย่างนั้นให้เรามีอยู่กับพุทโธตัโมสังโฆเนื่ออยู่กับไอจีพิโสไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเองคราไม่ต้องไปสนใจมันจะหายไปเองใช่ไหมคะอาการพวกนี้จะหายไปเองได้ใช่ไหมคะใช่มันจะหายถ้าเรามีพุทโธมีมีสติมันจะ ต่อไปมันก็จะหายใหม่ๆมันยังอาจจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ต้องไปขับไล่ส่ายส่งไม่ต้องไปอยากให้มันหายปล่อยมันอยู่ไปแล้วก็พูดโทรงเราไปเหมือนทาเมตตาให้เขาไปมันอยากจะอยู่ก็อยู่ไปแต่ยังก็ขอส่วนมรรของฉันไปฉันก็จะพูดโทรถึงฉันไปแล้วเดี๋ยวเขาก็พอเราไม่ยึดมันเขาก็เดี๋ยวเขาก็หายไปใค่ะะจเป็นสําคัญ ไม่มีสติแล้วทุกอย่างจะดีอย่าอย่านั่งเฉยๆนั่งแล้วต้องพุดโธนั่งแล้วต้องสวดมนต์ต้องดูลมต้องมีอะไรเยืดเหนียวจิตใจไว้แล้วมันจะได้ไม่ไปกับสิ่งที่มันเข้ามารบกวนเราค่นะใช่พอวเวลาเรานะไม่มีคำบริกรรมกากับมันก็จะไหลไปสู่ทางอของทางเขาใช่ไหมค่ะใช่ใช่กับ ใช้พุโทโธหนึ่งกลับมาให้พุโทโธใช้ส่วนนนนเรียกกลับได้หรือแม้เวลาไม่นั่งก็ควรจะฝึกพุโทโธไปถ้าฝึกได้ท่องพุโทโธไปมันจะได้มีกําลังมากที่จะใช้มันมันจะใช้ได้ได้ดีว่าถ้าเราไม่ซ่อมไว้ก่อนถ้าเราไม่ซ่อมไว้ก่อนบางทีจะพุโทโธมันพุโทโธไม่ออกนะนี uh ่ huh. มันพุโทโธพุโทโธไป uh huh. อทุกสิค่ะโอเคเนื้อพิจารณาตายแล้วว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมีเกิดแล้วก็มีดับอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปก็ต้องปล่อยมันมาปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกับมัน เ, เราอยู่กับพุทโ ม, มอยู่กับสวดมรไปนะนะต่างฝ่ายต่างอยู่กันก็ไม่มีปัญหาค่ะใช่พอ โยมเกิดอาการนี้ทำให้โยมเห็นข้อธรรมลึกซึ้งเพิ่มขึ้นตรงที่กายก็ไม่ใช่ของเราจริงๆแม่กระทั่งเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ของเร า, าแต่เพ่ยง่ว่าเนาะค่ะต้องปล่อยวางนะเขาจะมาก็มาก็จะไปก็ไปเราอยู่เราอยู่กับสติอยู่กับปัญญาพอนะค่ะ โอเคนียปจัยนั้นนะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยพึ่งเข้าครั้งแรกค่ะพอดีเพื่อนแนะนำให้เข้ามาขออนุโมทนาบุญที่ได้มีโอกาสให้เกิดดวงตาเห็นธรรมอยู่ที่ไหนโยมอยู่ตรงแถวพระรามห้าเจ้าค่ะห้าโอเคเคยมาวันยาไยยังไม่เคยมาใช่ไหม เคยไปเมื่อสมัยหลวงตามหาบัวท่านอยู่อ่ะค่ะานานมากแล้วค่ะ<า>พอโยมมีอาการนี้โยมก็ไม่ได้เข้าสายวัดฝ่ายเลยเพราะว่ า, ม, ามันเหมือนว่ามันจะเป็นตัวต้างโยมอะค่ะอ<า>โยมพยายามให้กลับไป<า>เป็นปกติเจ้าค่ะก็ไปสวนแสงธรรมก็ได้อยู่ใกล้ๆพระรามอ่าพระรามอ่างแล้วค่ะไปไปไม่สวนแสงธรรม เคยไปเจ้าค่ะสายสองใช่ค่ะสายสามอ่าสายสามเวลามีกิจกรรมเวลาก็มีทอดผ้าปา่ามีทาบุญ ม, มีผ้ามาก็เราเองเข้าไปทาบุญมดมูแ ล, ล้วค่ะนะสติขึ้นมาแล้วค่ะโอเคทุกท่ามีอะไรจะถามไหมใครต้องการถามก็เชิญยกมือขึ้นนะเพราะรู้สึกว่าทุกคน ได้ได้ได้ถามได้อะไรกันหมดแล้วรามีคำถามเจ้าค่ะอ่าเชิญคุณมาค่ะมีสา ม, มคำถามจากทาง a ฟ e b o o k เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณธนวัตประมุขถ้าปฏิบัติไปขณะหนึ่งจิตมันเสื่อมมันท้อต้องปฏิบัติยังไงครับก็จะเริยสติไปเรืเร่อยๆมันเสื่อมข้ก็มันขาดสติ งันต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่พยายามเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็เฟื้นกลับคืนขึ้นมานดะ้อย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมความอยากไม่ได้พาให้เราไปถึงจุดนั้นความอยากมันจะทำให้เราเครียดแจะทำให้เรายิ่งท้ออย่างน้นอย่าไปอยากเพียงแต่รู้ว่าเราต้องกลับถ้าเราต้องการจะกลับไปที่จุดนั้นเราต้องใช้สติต้องมาเจริญพุโทโธพุโทโธในทุกอิริยาบถ เดินยืนนั่งนอนก็พูดโทรพูดธทรไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่จุดนั้นได้คำถามที่สองจากคุณมุ่นติ๋มเจ้าค่ะมีคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ด้วยกันกับแม่ไม่ได้เลยเจ้าค่ะพูดคุยกันก็จะมีอารมณ์เสียใส่แม่ความเห็นต่างกันแม่จะหาแต่เงินแก่แล้วก็ไม่พักเจ้าค่ะ แล้วเราจะย้อนกลับไปคิดสิ่งที่แม่ทำไม่ดีกับเราเป็นทุกข์เจ้าค่ะเหมือนสิ่งนี้อยู่ตลอดเจ้าค่ะก็ทำไมไม่คิดสิ่งที่ดีล่ะทำไมเราอยู่ในท้องแม่มันต้องก้าเดินยังอยู่กันได้ใช่ก็อยู่แบบในท้องดิเค็อยู่ในท้องกันมายัางอยู่กันได้เออทำไมจะอยู่กับแม่ไม่ได้ก็อยากไปอยากให้แม่เขาทาตามความอยากของเราก็ราะอะไร แม่เขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของแม่เขาไปไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นลูกก็มีหน้าที่คอยดูแลรับใช้แม่เราจะไปเป็นเจ้านายของแม่เรามาักอยากจะไปเป็นเจ้านายของแม่ไปบังคับแม่ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ของลูกนะหน้าที่ของลูกเป็นเหมือนคนรับใช้อุปถามเป็นคนรับใช้แม่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของแม่ ช่วยบรรเทาภารกิจการงานอะไรต่างๆของแม่ให้น้อยลงให้แม่อยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่มาคอยเที่ยวเขวนแม่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แม่เขาจะดีจะชั่วมันเรื่องของแม่เขาไม่เกี่ยวกับเราเรื่องของเราก็คือเราต้องคอยรับใช้แม่คอยดูแลแม่เพราะแม่มีพระคุณกับเรามากถ้าท่านแม่ให้เราอยู่ในท้องเราจะเกิดมาได้เน แม่บางคนสมัยนี้นไมพอตั้งท้องก็เอาไปรีดออกนะนี่แม่ภาษาอุ้มท้องมันต้องก้าวเดือนไม่ใช่ง่ายๆนะลองอุ้มเนอะเธอลองเอามาพาะพร้าวสองลูกมามาผูกไวท้ที่เท้าดูสิดูได้มันยากไหมจะได้รู้ว่าบุญคุณของแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วจะทําให้เราไม่ไปมองมันเจ้ามันดูคอยว่าแม่ดูความผิดของแม่แม่ก็เหมือนราวทุกคนเป็นมีกิเลสด้วยกันนะั่นแหะ จะไให้แม่เป็นพระอาหารหันต์ได้อย่างไร <Yeah. S 1> ใช่มงั้นก่อนที่จะไปดูความผิดของแม่ดูตัวเราก่อนเถอะ้าเราวิเศษกว่าแม่หรออล้วไม่มีข้อบอกพร่องอะไรหรอนะนเป็นคนที่ใจกว้างอย่ามองเพ่งโทษของคนอื่น mm hmm. เพ่งโทษของตัวเองดีกว่าอัอ mm hmm. ที่สองคถามสุดท้ายเจ้าค่ะจากคุณกัลยาณี ราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะระหว่างวันที่รู้สึกตัวมีสติไม่ต้องนึกพุโทโธได้หรือไม่คะถ้าใจไม่คิดก็ไม่ต้องระลึกได้แต่ถ้าใจยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก่อนที่จะระลึกพุโทโธหยุดมันให้มันเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ถ้ามันสักแต่ว่ารู้มันไม่ไปคิดปุ่มแต่งไม่ไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงนี่ก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้ แต่ถ้ายังคิดอยู่ยังมีอารมณ์อยู่ก็ควรจะใช้พุทธโธระงับมันดีกว่าหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ะอ่ามีใครอยากจะถามอะไรไหมนี่ก็เกือบสองชั่วโมงแล้วนะหนึ่งชั่วโมง <ừ> กับห้าสิบกว่านาที อ, าอ้าว ค, คุณกล้องขอคุณกล้องพูดได้เลยนะครับพูดพูดได้เลยครับคุณกล้องท้านเคยเคยฟังคิดต้าจ่าครับที่ อาจาบอกว่าการหาปัจจัยสี่ครับไม่ใช่กิเลสครับเพราะว่าผมผมยังงงงไม่ค่อยเข้าใจอรเพราะว่าสงสัยอย่างพวกอย่างพวกนักร้องนะแสดงเนี่ยครับเขาเขาทำงานเนี่ยรู้สึกว่ามันจะใช้กิเลสครับคืเลยยังยังไม่เข้าใจครับยังไม่ก็จยินเลยสิ่งงเอาเอาไม้จับไปใช้เพื่ออะไครับดีนะพูดไหม เคยเคยผมเคยฟังคลิปของพระอาจารย์ครับที่บอกว่ า, าการหาปัจจัยสีค่คคือไม่ไม่ใช่กิเลสครับเพราะว่าทีนี้ผมส ง, งสัยว่าอย่างพวกที่เขามีอาชีพแบบนักร้องนักแสดงเนี่ยครับรู้สึกว่ามันใช้ใชกิเลสครับก็เลยไม่ค่อเยเข้าใจตรงเนี้ย ค, คือมันเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่เหมาะสมที่จะไปทำแต่การหาฝาาเงินทอง นั่นก็ยังเป็นไม่เป็นกิเลสอยู่ดีเรียนแต่คนจะเปลี่ยนอาชีพเพราะอาชีพนั้นมันบินเมกับอบายามุกมันจะไปเสพอบายามุกมันจะไปดื่มไปอะไรแล้วมันก็จะทำให้เสียคนได้เน้นไปทำอาชีพที่คนธรรมดาก็ทํามันดีกว่าทั่วไปขายขายผักขายอะไรทํามาค้าขายหรือไปทํางานตามห้านร้านบริษัทอย่างนี้ อาชีพที่ไม่ไม่เป็นภัยกับจิตใจ ไ, ไปไปทำไปอาชีพนักเล่นนัแสดงนี่มันมักจะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกกระบา ย, ยามุ่กต่อไปบามบางเห็นบางอย่างภาพยนตร์บางเรื่องครับก็เห็นแับมันก็มีที่แบบดีๆสร้างแรงบันดาลใจครับแล้วแต่อะไรก็ถือว่าถือดีไหมครับภา พ, พยนตร์ดีๆอย่างเงี้ยครับที่เขาทำออกมา ต้องเอาไม้ ใ, ใกล้ๆปากนะนะว่าไม่ได้ยินเลยไม่รู้เรื่องเาพูดอะไรไมไม่ไดีครับฮัลโหลครับได้ยินครับฮัลโหลครับอ่าครับอย่างพวกภาพภา พ, พยนตร์ดีครับอาจารย์ภาพยนตร์ที่แบบให้แรงบรรนันใจหรือให้เข้าคิดอะไรอย่างี่ยก็แล้วแต่ว่าภาพยนต์เป็นเรื่องไหนท่านดพูพุทธประวัตินันก็แล้วแรงแรงบนรนันใจ ถ้าไปดูหนังสงครามมันก็อาจจะทําให้เกิดมีความโหดเหี้ยมทางนิ่งขึ้นมาเะฉะ้นภาพยนตร์มันมีหลายรูปแบบภา พ, พยนตร์ทีส่สร้างสรรค์ก็มีภา พ, พยนตร์ที่อยุยงให้เกิดความอความโกรธความเกลียดก็ได้นี่ก็ต้องระวังว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่เราดูทางที่ดีอย่ายไปดูมัน่งนดีกว่าดูธรรมะดีว่าดูหนังสือธรรมะดีกว่าศรรกาึกษาประวัติศึกษา คำสอนของพุทธเจ้าดีกว่าที่ว่าไปเสียเวลากับดูเรื่องความประโยชนยอย์อะไรต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาได้ดูธรรมะแล้วมันจะลดความโลภความโกรธความหลงหลงนะโอเคเนะี่ยเดี๋ยวดูซิว่ามีใครจะถามอีกไหมเพราะก็คว่าอยากจะเล่าแล้วนะนจริงปะ โยมขอถามคำ ถ, ถามสุดท้ายค่ะขอขอรบกวนนิดนึงเจ้าค่ะ<อ>คือโ<อ>ยมอยากฟังอาจารค่ะว่าพอดีนึกขึ้นได้ว่าบบเราจะเช็คได้อย่างไรค่ะว่าเรามีสติเพิ่มมากขึ้นถ้ามีสติเพิ่มมากขึ้นคือการที่เราไม่คิดฟุ้งซ่านหรือว่าวางเฉยหรือมีอุเบก ข, นนกไไมขามากขึ้นนี่คือเรามีสติมากขึ้นหรือเปล่าคะใช่พลอยงสติก็คือจิตคิดน้อยลงจิตมีอุเบกขามากขึ้นถูกต้องคือรู้เท่าทัน ใจเย็นลงไไง่ายๆถ้าไม่มีสติมันก็จะวูบว่าร้อนอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้ามีสติมากมันก็จะเฉยฮะไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีสติแต่เราคือสมมุติตอนนิยมนั่งยืนทํากับข้าวไปด้วยแต่ว่ายมไม่ได้ท่องพุทธโธแต่ว่าเรามาโฟกัสที่เวลาเราหั่นผักหั่นอนุตอันนี้คือเราเราเหมือนบริกรรมไปด้วยหรเปล่าคะ ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ดูงานที่เราทําอยู่ก็เช่นกันเป็นการเจริญสติได้เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะเจ้าคะแล้วอีกคําถามคือถ้าเกิดโยมสื่อศีลแปดแล้วยอมสามารถดู youtube ดูคลิปพระอาจารย์ฟังธรรมหรือว่าฟังเป็นรายการที่เกี่ยวกับธรรมะนี้ได้ใช่ไหมคะไม่ถือเป็นบันเทิงเป็นการเป็นการฟังธรรมเป็นการสนทนาธรรมได้ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอโทษทีที่ทําพระอาจารย์นอนดึกเลย เราไม่เป็นงานหลัเพียงแต่ว่ามันก็ใกล้เวลาที่คนจะเลิกแล้วเพราะท่านไหนก็ก็หนังใกล้จะจบแล้วนเ<อ>นี่ยกลับตัวเขาโพดต์คั่วหมดแล้วกลับบ้านเลยต้องขอตัวนะเพราะว่าจะคุยนะ<อ>คุยมือทองอย่าไว้ก็คงจะได้อยู่แต่มันก็ค่ะค่ะข อ, ขอบคุณค่ะอาจารย์กับนรัตการสาธุค่ะครับ เจมีคำถามจำเป็นจริงๆอยากจะถามอีกข้อหนึงอยากเปิดโอกาสให้นก <No S 1> ครับนกนกครับคุณนกขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงพ่อพอดีว่าช่วงนี้ปฏิบัติช่วงหัวค่มทุกวันเนี่ยนะคะทีนี้มาช่วงหลังเจ้าค่ะช่วงประมาณสองสามนาทีนี้จะเกิด อ, อาการที่ว่าคือถ้าเริ่มต้นอย่างนนั่งไปเนี่ย มันจะไต่ระดับลงไปค่อยๆสง่งจนจนถึงที่เรารู้สึกว่ามันโล่งๆงงสบายๆแล้วก็จะมีบางครั้งจะมีอาการที่คือเรารู้สึกว่าลมหายใจเราเบาและสบายแป๊บหนึ่งเราก็จะมีอาการเหมือนคนแบบหายใจเข้าสุดท้ายใช่ไหะแล้วมันกระตุกขึ้นมาแล้วเหมือนเราออกตรงนั้นนะคะทีนี้หนูก็เลย พยายามที่จะเจริญสติตั้งแต่ตื่นให้ได้ตลอดเวลารู้ตัวก็พุโทโธหรือว่าอยู่กับการงานที่ทําแต่ว่าอาการตรงเนี้ยก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ได้เจ้าค่ะขอโอกาสแกขอช่วยไม่ต้องไปแก้มันมันเป็นอาการที่เราแก้มไม่ได้มันเป็นอนัตตาปล่อยมันไปให้เราอยู่กับสติของเราไปอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมของเราไป ทีนี้ทีนี้พอพอพอมันมันเหมือนกับว่ามันเพืิ่งขึ้นมาแล้วหนูก็กลับเข้าไปเหมือนเริ่มต้นนั่งใหม่อย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องบาดีถ้ามันจะเพืิ่งนี่มันแสดงว่ามันจะสงบนะฝ่ายมันเพืิ่งไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปฟื้นเหมือนมันจะเพลิ่งมันจะเหมือนจะหายใจหายใจครั้งสุดท้ายครับปล่อยันไปเพราะจิตมันจะปล่อยก่อนร่องกายมันจะเข้าสู่ความสงบ่ะ เดีวค่ะเพราะว่าช่วงนี้มัน เ, <ฉ>เป็น ห, หลายครั้งเดียค่ะให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับมันอืีวค่ะมันนี่มันไม่มีอันตรายเลยทั้งสิ้นมันเป็นการการของจิตเวลาที่มันจะเข้าสูขขมม่ความสงบถ้าใช้ลมหายใจมันจะต้องทำให้การรู้สึกว่ามันจะสิ้นลมมันจะหายใจเพื่อสุดท้ายก็ปล่อยมันไปแล้วจิตมันจะเรียบเรื่อสงบต่อไปค่ะให้รู้เฉยๆไปไม่ค่ะ โอเคนะนะคะกลับมาสการสาถูกเจค่ะรู้สึกมีท่านบางท่านเพิ่งเข้ามานี่หมดดีไหมทีละพัฒทีละพัฒน์มีคุณมีคุณพ้นคุณพ้นชัยคุณพ้นพันชัยอพันชายมีอะไรว่ามา ไม่มีอะไรครับเข้ามาฟังทำช่วงสุดท้ายใช่ครับอพอดีจะจะเลิกพอดอีได้เวลาสองชั่วโมงนะคุณธีรพัฒนมีอะไรไหมคุณอ้อมใช่ไหมชื่อทีรพัฒน์แต่ไม่รู้ว่าชื่ออ้อมเป็นคณอ้อมหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะพอดีอ้อมเพิ่งกลับมาก็เลยเข้าเพิ่งกลับมาจากทำงานเลยรีบเข้ามาพอดีช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายพอดีนะค่ะ โอเคเนะี่ยวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลา้นะสองชั่วโมงกว่า้วขอให้ท่านทั้งหลายชงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขอันเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป อ, อั